คนสองคนนะ่ะถามคำเดียวกันเนะ่ะตอบไม่เหมือนกันหรอกนะจะเอาแน่เอานอนอะไรกับผมไม่ได้หรอกนะไอเราทั้งหลายนี่นะโดยส่วนใหญ่เราจะคิดแต่ว่าถ้าอันนี้ถ้าพูดถึงคนมองความจริงนิดหนึ่งนะก็คือชีวิตมันเริ่มต้นจากเปลนอนคือเป็นเด็กแล้วก็ไปเรื่อยแก่ไปแล้วก็ตายจบลงที่หลุมฝังศพหรือว่าลงก็ว่าไป นี่ถ้าคนมองความจริงหน่อยหนึ่งก็จะมองภาพอย่างนี้ออกก็คือมองแบบคนปลงนิดหน่อยนะเราก็จะมองเป็นแบบนั้นด้วยว่าที่เขาให้เราสวดเห็นไหมเราทั้งหลายมีความแก่เป็นธรรมดาเราทั้งหลายมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเราทั้งหลายมีความตายเป็นธรรมดาเราทั้งหลายมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผาพันมีกรรมเป็นของของตน ทำกรรมสิ่งใดไว้ก็จะได้รับผลของสิ่งนั้นอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ในมุมมองของคนที่พอเข้าใจโลกบ้างพอสมควรแต่ว่ายังเข้าใจโลกไม่แจ่มแจ้งในมุมมองของคนธรรมดาทั่วไปถ้ามองอย่างนี้ก็จะคล้ายๆพอปลงได้นิดหน่อยเริ่มต้นจากเรนอนแล้วก็จบก็ตายเกิดคู่กับตายมีเจอกันก็จากกัน มีมีมีมาก็เสียไปอย่างนี้อันนี้มันเกี่ยวกับทางโลกเป็นธรรมดาอย่างนี้โลกมันเป็นลักษณะอย่างนี้นะถ้าพวกพอเข้าใจโลกบ้างก็จะพอเข้าใจอันนี้แต่พระพุทธเจ้าท่านประเภทเหนือโลกคําว่าเหนือโลกก็หมายความว่าเข้าใจแจ่มแจ้งเรื่องโลกด้วยแล้วก็เข้าใจสิ่งที่มันเหนือไปกว่านั้นด้วยฉะนั้นปัญญาของท่านจึงเหนือกว่าสิ่งนั้นขึ้นไปอีกนะ เวลา <PTSD> เราพูดถึงความเกิดอย่างเนี้ยเราก็เกิดมาแล้วก็ได้โน่นได้นี่แล้วก็ตายเราก็มองไม่ไม่จบหมายถึงว่าเราก็มองได้เท่าเนี้ยถ้าสติปัญญาเรามองนะไม่ตายกลางวันก็ตายกลางคืนเน่ะความหมายคืออย่างนั้นอ่ะคือดูลายมือปั๊บก็รู้เลยไอ้หมอนี่เกิดมาตายแง่แงเลยอย่างเนี้ยไม่ตายกลางวันก็ตายกลางคืนไม่ตายวันคู่ก็ตายวันขี้ไม่ตายดีก็ตายโหดๆอย่างเนี้ยพูดยังไงก็ถูก นะ่ยฉะนั้นไอ้พวกที่อยู่ในโลกวนเวียนไปเนี่ยนะคนที่เขาอยู่เหนือโลกเนี่ยเขามองอยังไงมองมองอยังก็ออกแต่ว่าของพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้ที่รู้แจ้งโลกฉะนั้นจึงรู้เรื่องโลกอย่างแจ่มแจ้งด้วยแล้วก็รู้ประเภทเหนือนโลกด้วยใช่มันจึงต่างกับความรู้ที่เรารู้รู้กันอยู่หรือรู้จากสิ่งที่เรารู้รู้กันอยู่ต่อหน้าต่อตาเราด้วยแล้วก็รู้จากสิ่งอื่นด้วยที่เหนือนไปกว่า น, นั้น สิ่งที่เหนือไปกว่า น, นั้นก็คือสิ่งที่เขาเรียกกันว่านิพพานนั่นแหละที่เหนือไปกว่า น, นั้นอะที่เราไม่เคยคาดคิดไม่รู้จักแม้กระทั่งความฝันน่ะไม่เคยรู้ไม่เคยคิดว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าคิดไม่ออกนึกไม่ออกแต่ถ้าพูดถึงเรื่องอา้าวเกิดแก่เจ็บตายยังพอมองออกใช่ไหมอา่าสุขบ้างทุกบ้างเครียดบ้างสงบบ้างวิตกกั ง, งวลบ้าง เซงบ้างสงสัยบ้างงงบ้างในนี้ก็พอมองออกเพราะว่ามันเกิดกับเราอยู่แล้วถ้าบอกให้ดูให้สังเกตดูเราก็พอมองออกนะทีนี้พระพุทธเจ้าท่านรู้แจ่มแจ้งกว่านั้นอีกรู้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดทั้งป ว, วงว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วยังรู้เหนือสิ่งเหล่านี้ขึ้นไปอีกมีสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งเหล่านี้ด้วยอันนั้นก็คือพระนิพพานนั่นเองซึ่งเราไม่ค่อยรู้จัก สมมติว่าเราพูดเรื่องความเกิดพูดเรื่องการเกิดพระพุทธเจ้าก็จะพูดเหนือขึ้นไปกว่านั้นอีกว่าการไม่เกิดก็มีด้วยถ้าการไม่เกิดไม่มีเราทั้งหลายก็จะต้องเกิดวนเวียนไปเรื่อยๆเพราะว่าการไม่เกิดไม่มีนี่เราก็ต้องเกิดเกิดเกิดเกิดเกิดไปเรื่อยนะเวลาเราพูดถึงความแก่สมมุติคุณแม่นี่แก่แล้วแก่แล้วข้างหลังนั้นก็แก่แล้ว เวลาเราพูดถึงความแก่เราทุกคนก็ดูหน้ากันไปทุกคนไม่รอดไม่รอดสักคนหมายถึงว่าอันนี้ยกตัวอย่างว่า น, นี่แก่แล้วแก่แล้วแต่ว่าเมื่อมองดูไปให้ครบทั้งหมดแล้วคนเกิดมาทุกคนมันต้องแก่เรยียบเลยทุกคนเลยมันหนีไม่พ้นแต่เวลาพระพุทธเจ้าท่านแสดงอ้าวคนทั้งหลายมีความแก่เป็นธรรมดาแต่ท่านรู้อันนี้ด้ยแล้วรู้เหนือกว่านั้นด้วยรู้จักความไม่แก่ด้วยฉะนั้นมันจึงเหนือกว่า ถ้าความไม่แก่ไม่มีเราก็ทุ่งต้องแก่ไปเรื่อยๆแก่ไปเรื่อยชาตินี้แก่ชาติต่อไปก็แก่อีกชาติต่อไปก็แก่อีกชาติต่อไปก็แก่อีกแก่ไปเรื่อยแก่ไปเรื่อยแก่ไปเรื่อยแก่บ่อยๆอย่างนี้แต่พระพุทธเจ้าเนี้ยรู้จากความไม่แก่ด้วยสภาวะที่ไม่มีความแก่ฉะนั้นจึงสามารถออกจากความแก่ได้เราไม่จําเป็นต้องแก่บ่อยๆนี่เข้าใจไหมฟังไปเรื่อยๆไม่ต้องเข้าใจนะ นี่ไม่ได้พูดให้เข้าใจนะอะอันนี้พูดให้ไม่รู้เรื่องทีนี้เวลาเราพูดถึงความตายทุกคนเกิดมาแล้วมองดูตายเรียบเกิดมาแล้วตายเรียบหมดให้มองดูตายหมดไม่ต้องให้หมอดูที่ไหนมาดูก็ได้เพราะว่าหมอดูมันก็ตายเหมือนกันทุกคนตายเรียบตายหมดแต่พระพุทธเจ้าในีท่านรู้แจ้งสิ่งเหล่านี้ด้วยแล้วรู้สิ่งที่เหนือกว่านั้นด้วยคือรู้จักความไม่ตายด้วยเพราะความไม่ตายมี เราจึงไม่จําเป็นต้องตายบ่อยๆจึงไม่จําเป็นต้องตายก็ได้จึงสามารถออกจากความตายได้นี่อย่างเงี้เราทั้งหลายเนี่ยมีกรรมเป็นของของตนทํากรรมวนเวียนกันไปทํากรรมดีได้รับผลดีทํากรรมชั่วได้รับผลชั่วทําบุญได้รับผลของบุญทําบาปได้รับผลของบาปนี่นวนเวียนไปทุกคนก็เป็นอย่างนี้มองมองหน้าใครก็อ้าวแต่ละคนแตกต่างกันไปเพราะว่าทําบุญทํากรรมมาไม่เหมือนกัน หน้าตาก็แตกต่างกันไปอยู่ประเทศก็แตกต่างกันไปยากดีมีจนแตกต่างกันไปมองก็เห็นว่าอ๋อเนี่ยมันเป็นที่ดูผลบุญและบาปของแต่ละคนที่ทำมานะอย่างนี้แต่พระพุทธเจ้ารู้สิ่งนี้ด้วยแล้วก็หนือสิ่งเหล่านั้นด้วยนะเราทั้งหลายนี้รู้แต่เรื่องบุญบุญทำบุญแล้วได้รับผลของบุญพระพุทธเจ้ารู้จักความสิ้นบุญด้วยชอบไหมความสิ้นบุญบางคนชักจะไม่ชอบแล้วนะ ถ้าไม่มีความสิ้นบุญเราก็คงจะต้องทำบุญแล้วได้รับผลบุญไปเรื่อยๆมันก็คงจะเหนื่อยเนาะมันน่าจะเซ็งเหมือนกันเนาะทำบุญบ่อยๆนี่คงจะเซ็งแล้วได้รับผลบุญไปเรื่อยๆเหมือนเกิดบ่อยๆแก่บ่อยๆแล้วก็ตายบ่อยๆวนเวียนวนเวียนอยู่อย่างนี้คงน่าเบื่อหน่ายเราทั้งหลายก็คงรู้จักเรื่องบาปทำบาปแล้วได้รับผลอย่างนั้นอย่างนี้พระพุทธเจ้ารู้จักบาปด้วยรู้จักว่ามันให้ผลยังไงด้วยแล้วก็รู้จักความสิ้นบาปด้วยนะอย่างเราเกิดมานี้ ก็ต้องมีคนที่เรารักใช่ไหมมีพ่อมีแม่เราก็ต้องพลัดพรากกันทุกคนพระพุทธเจ้าก็รู้เรื่องนี้แล้วเราก็พอมองออกด้วยว่าอ๋อเกิดมาแล้วมันก็ต้องพลัดพรากจากคนที่เรารักจากของที่เราพอใจทุกคนก็ต้องเป็นอย่างนี้หมดแต่พระพุทธเจ้ารู้จักการไม่ต้องมาพลัดพรากกันอีกแล้วด้วยคือพบกันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วไม่ต้องไม่จําเป็นต้องมาพบกันอีกเมื่อไม่พบกันอีกมันก็ไม่มีการจากกันอีกเห็นไหมมันเหนือกว่าไป เหนือขึ้นไปอีกอันที่เหนือขึ้นไปเนี่ยเราไม่รู้แม้แต่ในความฝันเลยฉะนั้นน่ะสิ่งที่เราต้องฝึกฝนแล้วก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ก็เรียนรู้จากสิ่งที่เราพอรู้ได้นี่แหละแล้วก็ทิ้งสิ่งที่มันเป็นความยึดมั่นถือมั่นที่อำพรางตาเราเอาไว้เนี่ยพอทิ้งสิ่งเหล่านี้ไปเราก็จะเห็นอีกอันหนึ่ง แต่ตอนนี้เราไม่เห็นเพราะอะไรเพราะว่าเราติดข้องอยู่กับความเกิดความแก่ความตายวนเวียนอยู่เราชอบเกิดใช่ไหมแต่ว่าไม่ชอบตายอันนี้แสดงว่ามันยังไม่รู้เท่าทันความเกิดตามที่มันเป็นจริงว่าแท้ที่จริงเกิดมันไม่เที่ยงเราจึงแก่แก่มันไม่เที่ยงเราจึงตายตายมันไม่เที่ยงเราจึงเกิดใหม่วนเวียนไปเรื่อยๆตามเหตุตามปัจจัยของมันเมื <ME> ่อ er เราไม่รู้ตามที่มันเป็นจริงมันก็เกิดความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ไม่ทิ้งมันไป พอไม่ทิ้งมันไปมันก็ไม่เห็นอีกอันหนึง่งนี่อย่างนี้พอเข้าใจไหมฉะนั้นในหลักของพระพุทธศาสนานะจะมีสิ่งที่เหนือไปกว่าที่ชาวโลกเขารู้กัน ท, ทั้งทั้งที่เรื่อง ท, ทั่วไปที่ผมพูดพูดให้ฟังอยู่เราก็ไม่เคยคิดเดยซ้ำไปนี่แค่เรื่องโลกโลกธรรมดานะแค่เรื่องว่าเออเราเกิดมาแล้วต้องตายทั้งๆ้งที่เราก็เห็นคนอื่นตายเยอะๆแต่เราก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องตาย นี่อันนี้ก็ห่างไกลามากแล้วยังไม่ต้องพูดถึงสิ่งที่ไม่ตายด้วยทั้งๆ ท, ที่ตายเนี่ยเราต้องตายอยู่แล้วไม่มองมันก็ต้องตายแต่ก็ยังหลงลืมมันอยู่ดีนี่ขนาดนี้นะฉะนั้นเวลาพูดถึงความไม่ตายเราจึงไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงแล้วเราต้องมาพูดถึงเรื่องตายเรื่องตายเรื่องตายก่อนจนกว่าจะเข้าใจมันแล้วค่อยพูดอีกอันหนึ่งที่จึงจะพอเข้าใจกันได้นะ เราต้องมาศึกษาให้รู้ว่าสภาว้าทุกอย่างสุขก็ดีทุกก็ดีมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของแปรปรวนซะก่อนแล้วก็มาเรียนรู้ซะก่อนไม่อย่างนั้นแล้วเราก็เกลียดทุกข์กักสุขหาสุขวิ่งตะคุบสุขวิ่งหนีทุกวนเวียนอยู่อย่างนี้อันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงสิ่งที่ไร้ทุทกข์ไร้สุขก็ได้เพราะว่าเรายังพากันวนเวียนอยู่นะต้องมาพูดสิ่งเหล่านี้ให้พอเข้าใจกันก่อนแล้วก็จะได้เลิกว่า ไอ้สุกนี่จริงๆมันไม่มีนะมันเป็นของไม่เที่ยงเคยสุขมากี่ครั้งแล้วแล้วสุขจริงหรือเปล่ามันก็จริงตอนมันมีแหละแต่สักหน่อยมันก็หายไปทุกก็ไม่เที่ยงนะเกิดแล้วเปลี่ยนไปนะฉะนั้นมีสภาวะที่มันไร้ทั้งสุขด้วยไร้ทั้งทุกด้วยก็มีสิ้นทุกสิ้นสุขก็มีนี่มันจึงจะพอเข้าใจได้อย่างนี้พอเข้าใจไหมเออนะฉะนั้นเราทั้งหลายเนี่ย ถ้าพูดเรื่องฝ่ายเดียวไปเช่นว่าทุกคนเกิดแก่เจ็บตายวนเวียนกันไปเราจะไม่รู้วิธีที่เราจะออกจากมันได้ยังไงเราก็คงต้องวนเวียนไปเรื่อยเนาะแต่ทีนี้พระพุทธเจ้าท่านรู้แจ้งโลกแล้วก็รู้สิ่งที่เหนือโลกด้วยก็คือเมื่อความเกิดมีความไม่เกิดมันก็มีฉะนั้นเราจึงสามารถออกจากความเกิดได้เพราะความไม่เกิดมีถ้าเราฝึกฝนจนกระทั่งถึงความไม่เกิดเราก็ออกจากความเกิดได้ เพราะความไม่แก่มีเราจึงสามารถออกจากความแก่ได้เพราะความไม่ตายมีเราจึงสามารถออกจากความตายได้เพราะความสิ้นบุญมีเราจึงไม่ต้องวนเวียนรับผลของบุญอยู่วนไปวนมาอยู่อย่างนี้ไม่ต้องเกิดต้องตายวนเวียนอยู่เนี่ยนะอันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเหมือนท่านสอนเรื่องอริยสัจเคยสังเกตไหเวลาท่านสอนท่านสอนครบถ้วนสมบูรณ์ทีเดียว การรู้จักชีวิตเราอย่างสมบูรณ์แล้วก็จะดำเนินชีวิตได้โดยถูกต้องรู้ว่าอะไรคือสิ่งเดียวที่เราต้องทำํำนะมันต้องศึกษาให้เข้าใจจนครบถ้วนทีเดียวที่ท่านสอนเอาไว้ถ้าเราศึกษาธรรมะจนเข้าใจโดยครบถ้วนเนี่ยเราจะรู้ว่ามันมีอยู่อันเดียวเท่านั้นที่เราต้องทําไม่มีสิ่งสําคัญเพราะว่าคําว่าสิ่งสําคัญหมายถึงว่ามันมีหลายสิ่งต้องมีสองกลางเปรียบเทียบกันอันนี้ไม่สําคัญอันนี้สําคัญกว่า แล้วถ้ามีสามอันก็อันนี้สําคัญที่สุดซึ่งเราเป็นเป็นกันอยู่เหมือนเราคิดว่าเอ๊ะธรรมะตอนนี้ยังไม่สําคัญเท่าไหร่ถ้าเราทุกข์แล้วอ่าธรรมะเริ่มสําคัญแล้วก็แสดงว่าการงานเนี่ยตอนที่ธรรมะยังไม่สําคัญก็การงานสําคัญกว่าเงินทองสําคัญกว่าคนนั้นสําคัญกว่าคนนี้สําคัญกว่าก็ว่ากันไปแล้วตอนหลังก็มาเป็นนักธรรมะก็แสดงว่าธรรมะยังสําคัญกว่าแต่ก็ยังมีอันอื่นอยู่นี่อย่างนี้แต่ของพระพุทธเจ้าไมา่อย่างนั้น ถ้าเข้าใจอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็แจ่มแจ้งแล้วจะเห็นว่าไม่มีเรื่องสําคัญเพราะว่ามันมีอยู่เรื่องเดียวดาง น, นเรื่องเดียวมันจะเป็นเรื่องสําคัญไม่ได้เพราะว่าถ้าสําคัญนแสดงว่ามันมีหลายเรื่องนะถ้าเราทั้งหลายโดยส่วนใหญ่แล้วมันเข้าใจธรรมะยังไม่ถูกหรือว่าเข้าใจธรรมะยังไม่ครอบคลุมเราจึงมีเออธรรมะเป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันนะเนี่ยทานองนี้ บางคนก็เห็นธรรมะสำคัญกว่ามาปฏิบัติธรรมแต่ว่าธรรมะมันไม่ใช่เรื่องสำคัญเพราะว่ามันเป็นเรื่องเดียวนะมันไม่มีเรื่องอื่นมีเรื่องเดียวเท่านั้นเองไม่อย่างนั้นแล้วเราก็แสดงว่าเรายังเข้าใจไม่ถูกต้องหรือว่าเข้าใจไม่ครอบคลุมยังวนเวียนอยู่นะอย่างนี้นะครับฉะนั้นในนี้ก็คือลักษณะการที่แสดงธรรมะอย่างครอบคลุมครบถ้วนแล้วก็ มองเห็นอย่างภาพรวมซึ่งก็คือหลักการที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้เช่นหลักของอริยสัจทั้งสี่ถ้าเราค่อยๆฟังไปเราจะเข้าใจก็คือพูดถึงสองขัวนี่แหละสองข้างอันนี้พูดเรื่องเกิดกับพูดเรื่องไม่เกิดพูดเรื่องแก่กับพูดเรื่องไม่แก่พูดเรื่องตายกับพูดเรื่องไม่ตายพูดเรื่องบุญกับพูดเรื่องสิ้นบุญ ผู้เรื่องบาปกับผู้เรื่องสิ้นบาปผู้เรื่องกรรมกับพูดเรื่องสิ้นกรรมผู้เรื่องทุกข์กับเรื่องสิ้นไปแห่งทุกข์ผู้เรื่องทุกข์กับทุกข์ดนิโรธาเคยได้ยินไหมนะอย่างนี้ท่านอริยสัจจะมีสี่สังเกตไหมมีทุกข์ทุกข์ดสมุทัยอันนี้ฝ่ายทุกข์ทุกข์ขนิโรธะแล้วก็ทุกข์ดนิโรธคขาไม่มีปฏิปทาอันนี้ฝ่ายสิ้นทุกข์ฝ่ายไม่มีทุกข์ คำว่าทุกข์นี้ก็คือกายกับใจเราเองนี่แหละที่มันเป็นของได้ตัวตนเป็นของเกิดตามเหตุตามปัจจัยของมันไปเมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่ถึงความสิ้นไปของสิ่งนี้ในเมื่อความเกิดเป็นเรื่องธรรมดาความไม่เกิดก็ต้องมีจึงออกจากความเกิดได้เหมือนเราทั้งหลายเวลาเราเรียนเรื่องกรรมเหม็น เวลาเราพูดเรื่องกรรมเราก็จะพูดถึงเรื่องว่าอ้าวทำกรรมดีได้รับผลดีทำกรรมชั่วได้รับผลชั่วอ่าทำอย่างนี้น่ารักษาศีลได้เป็นมนุษย์ทำความดีเพิ่มเติมก็ได้ไปสวรรค์ทำสมาธิก็ไปเป็นพรหมอันนี้เราได้เท่านี้แต่พระพุทธเจ้าหนึงองไปกว่านั้นด้วยคือพูดเรื่องกรรมนมรรตะหมายถึงหมดกรรมด้วยสิ้นกรรมไม่ต้องมีกรรมอีกนี่มันเหนือไปกว่านั้นอีกเห็นไหม เพราะว่าถ้ามีมีสอนแต่เรื่องกรรมวนเวียนไปเรื่อยเราก็คงออกจากโลกไม่ได้เราก็คงต้องทํากรรมไปเรื่อยๆมันก็น่าเหนื่อยเหมือนกันเนาะอย่างนี้นะแต่ทีนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนมีสองข้างที่เขาพูดเมื่อกี้ว่าเอ๊ะปัิพ่านมันยังไงมันเหนืออะไรขึ้นไปเพราะว่าเราทั้งหลายนั้นยังไม่ทิ้งฝ่ายหนึ่งไม่ทิ้งฝ่ายสังขาร จึงไม่รู้จักพระนิพพานนะฉะนั้นธรรมะเวลาพูดโดยย่อๆแล้วจะมีสองข้างหลักๆอันที่หนึ่งเขาเรียกว่าสังขารธรรมธรรมะฝ่ายสังขารหรือว่าฝ่ายทุกขฝ่ายเกิดวนเวียนสิ่งเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยตัวเราก็ดีสิ่งต่างๆภายนอกก็ ด, ดีทั้งหมดทั้งมวลนี้ที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยสิ่งไหนเกิดสุนนั้นล้วนแต่ดับไปทั้งนั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ธรรมะประเภทนี้เขาเรียกว่าสังขารสังขารธรรมแล้วจะมีธรรมะอีกกลุ่มหนึ่งด้วยเรียกว่าวิสังขารสิ่งที่ไม่ใช่สังขารเป็นสิ่งที่ปราศจากการมุงดงแต่งสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดเมื่อไม่เกิดจึงไม่ดับนะเมื่อไม่มีเกิดจึงไม่มีตายแต่ว่าก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของใครเหมือนกันฉะนั้นโดยธรรมะ ทั้งหมดทั้งมวลแล้วไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสังขารก็ดีฝ่ายวิสังขารก็ดีมันจึงไม่ใช่ของใครเป็นธรรมะคือเป็นขอ ง, ลงกลางๆเป็นอย่างนั้นของมันเองท่านจึงบอกว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาสัพเพธรรมานัตตา <S <s <us ur> แต่ว่าธรรมะทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันมีสองขั้วอันหนึ่งเป็นฝ่ายสังขารสังขารเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาส่วนวิสังขารไม่เกิดเป็นของเที่ยงไม่เป็นทุกข์ ไม่โดนบีบคั้นอะไรไม่ต้องโดนบีบคั้นให้เราไปกินข้าวไปอาบน้ำหรือว่าต้องทำโน่นทานี่เป็นสุขแต่ว่าก็เป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนเหมือนกันนี่พอเข้าใจั้มอันนี้แหละมันจึงพูดกันยากและฟังกันยากหน่อยหนึ่งนะฉะนั้นเราทั้งหลายก็อันไหนที่พอรู้กับเราเราก็เรียนรู้ไปก่อนแล้วก็จะค่อยๆรู้จักว่า ถ้าเราเรียนรู้สิ่งต่างๆตามที่มันเป็นจริงว่าทุกอย่างล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงเป็นของแปรปลวนไปเนี่ยเมื ronting, เ่อจิตไม่ไปหลงยึดติดข้องสิ่งเหล่านั้นจิตกับไปรู้อีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นสภาวะที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยโดยปกติแล้วถ้าของดีมาเราก็รู้สึกต้องทําอะไรบางอย่างกับสิ่งนี้ <guiding. S 1> ของไม่ดีมาเราก็รู้สึกต้องทําอะไรบางอย่างกับสิ่งนี้เห็นคนนี้มาก็รู้สึกต้องทําอะไรบางอย่างแต่วา่าจริงๆมันมี สิ่งที่เหนือไปกว่านั้นด้วยคือไม่ต้องมีการทําอะไรสักอย่างก็ได้ไม่ต้องมีตันหาไม่ต้องมีความอยากได้ไม่ต้องมีความต้องการไม่ต้องมีความรู้สึกกับมันก็ได้นี่ยอย่างนี้นะฉะนั้นในหลักของพระพุทธศาสนานี้เราทั้งหลายนั้นไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะตายไปเรื่อยๆค่อยๆตายไปแบบนี้มันก็คนทั่วไปเขาก็เป็นกันเกิดมาแล้วสักหน่อยก็แก่แล้วก็ตายไป แต่พระพุทธศาสนานี้ในเมื่อท่านสอนความไม่ตายเราเกิดมาแล้วยิ่งอยู่นานก็ยิ่งไกลาจากความตายไปเรื่อยๆเนี่ยมันจึงน่าอัศจรรย์ตรงนี้นะยิ่งเกิดนานยิ่งอยู่นานยิ่งเข้าใจโลกมากขึ้นก็ยิ่งห่างไกลาจากความแก่ยิ่งห่างไกลาจากความตายไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะฉะนั้นถ้านทรอยากรู้ว่าเราประสบความสําเร็จในการเกิดมาแล้วหรือยอย่างนี้ก็คือ เราเกิดมาแล้วอยู่นานแล้วมันแก่ลงหรือว่ามันห่างไกลจากความแก่เราใกล้ตายลงไปหรือว่าห่างไกลจากความตายนี่มันตรงข้ามกันนะพอเข้าใจไหมเอออันนั้นไม่เข้าใจดีที่สุดอคือเรามีหน้าที่เพียงเกิดมาแล้วก็ศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจตอนแรกนี้เราเกิดมาเพราะว่า เรามีหน้าที่หรือว่าสิ่งที่ต้องทําอยู่อย่างหนึ่งคือเรายังเข้าใจมันไม่แจ่มแจ้งคือเรายังติดข้องอยู่ในโลกนั่นเองเราจึงเกิดมาในโลกเพราะว่าเรายังเข้าใจมันไม่แจ่มแจ้งหน้าที่ของเราคือเราเกิดมาเพื่อทําความเข้าใจมันให้แจ่มแจ้งทีนี้เวลาเกิดมาอยู่ในโลกนานขึ้นนี้ถ้าอยากรู้ว่าตนเองประสบความสําเร็จในการอยู่กับโลกหรือยังก็คือมันห่างไกลจากโลกมากขึ้นโลกเนี้ยทําอะไรเราไม่ค่อยได้มากขึ้น อันนี้เรียกว่าห่างไกลจากโลกมากขึ้นจนกระทั่งเหนือโลกไปแต่โดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายเวลาเกิดมาตอนแรกๆมันก็หลงยินดียินร้ายไปแล้วพอนานเข้านานเข้าเรื่องต่างๆในโลกก็ประดังประดังเข้ามามีเรื่องต้องจัดการต้องจัดแจงต้องอะไรเยอะแยะมากมายมีภาระหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นทุกวันตอนเป็นเด็กก็ไม่ค่อยมีภาระหนักมากนะักพอมากพอต่อมาก็มีภาระเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้แสดงว่าไม่เข้าใจโลก เพราะว่าแ ท, ท้จริงเรามาเกิดมาในโลกนี้มันไม่มีอะไรมาแล้วตอนตายก็ไม่เหลืออะไรไปที่เรายังต้องมาเกิดอยู่เพราะว่ายังมีภาระอยู่อันหนึ่งคือเรายังเข้าใจมันไม่แจ่มแจง้งงานหน้าที่ของเราเพียงมาศึกษามันให้เข้าใจแจ่มแจง้งแล้วก็ค่อยๆเหนือโลกไปเรื่อยๆหมายถึงว่าห่างไกลาจากโลกไปโลกมันก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างสุขบ้างทุกบ้างสงบบ้างฟุ้งซ่านบ้างมีลาบบ้างเสื่อมลา บ, บ้าง สันเสริญบ้างนินทาบ้างอันนี้มันเป็นกฎธรรมดาของมันอยู่ถ้าห่างไกลจากโลกก็หมายความว่าเรามาในโลกแล้วศึกษามันให้เข้าใจว่าอ๋อโลกมันเป็นอย่างนี้เราก็ห่างจากมันมากขึ้นมากขึ้นมันก็ทําอะไรเราไม่ค่อยได้พอทําอะไรเราไม่ค่อยได้เราปล่อยมันทิ้งไปเราก็อยู่เหนือโลกก็จะไปรู้จักอีกอันหนึ่งนี่พอเข้าใจนะม อ, อ, อย่างนี้นะมันดีขึ้นตั้งแต่คุณฟังผมนะ้ว นะคุณทันทนฟังผมได้นนี่ก็แสดงว่าฝึกความอดทนไปอย่างหนึ่งแค่คุณฟังแล้วคุณไม่บน่นหรือว่าฟังไปแล้วไม่ง่วงนอนอย่างนี้ก็เป็นการฝึกอีกชนิดหนึ่งนะแท่จริงแล้วการปฏิบัติธรรมหรือว่าการจะดีขึ้นเนี่ยเราไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องรอเวลาเรื่องธรรมะเป็นเรื่องที่เรียกว่าทันทีทันควันแล้วก็ในขณะนั้นตอนนั้นแล้วก็เอาไปฝึกผลต่อไปเรื่อยๆไม่ใช่เรื่องรอเวลา เรื่องความสุขนี้ไม่ใช่เรื่องรอเวลาเพราะว่ามันพร้อมอยู่เสมออยู่แล้วเพียงแต่เอาความเข้าใจผิดๆออกไปเอาความอยากเอาความต้องการออกไปมันก็จะอิ่มเต็มด้วยตัวของมันเองเพราะว่ามันพร้อมอยู่แล้วเสมอแต่ว่าที่เราไม่รู้สึกอิ่มไม่รู้สึกพอเพราะว่าเรามีความอยากมีความคาดหวังกับชีวิตอย่างนั้นอย่างนี้อยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มาบังมันอยู่เท่านั้นเองเพียงเรารู้จักสิ่งเหล่านี้ปัาบแล้วเราก็ทิ้งมันออกไปมันก็จะเต็มสมบูรณ์ด้วยตัวของมันเองนะอย่างนี้ นะฟังไปก็ยากไปเรื่อยๆนะนนี้เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นหรือว่าเข้าใจในหลักการแล้ววันต่อไปจะพูดให้ฟังในหลักการนี้ก็คือจะพูดเรื่องอริยศาสตร์ให้ฟังนะซึ่งกรอบนี้จะทำให้เข้าใจง่ายเข้านะครับอันนี้ให้เริ่มเข้าใจว่าแท้ที่จริงแล้วที่พูดพูดมาว่า เ, ออเกิดแก่เจ็บตายอะไรวนเวียนไปนี้เพื่อให้เราได้กลับมามองตนเองว่าออจริงๆเรามันเป็นอย่างนี้นี่ พอเราเริ่มเข้าใจอย่างนี้ปั๊บก็สามารถที่จะห่างออกจากมันได้คือมันหมดอิทธิพลต่อจิตใจเห็นไหเสียงสันเสริญเสียงนินทาถ้าเรารู้จากมันตามที่เป็นจริงว่ามันเป็นธรรมดาของโลกมันก็ทำอะไรเราไม่ได้มันก็ห่างเราออกไปเพราะว่าคนนินทานี่ไม่มีคนไม่ถูกนินทามันไม่มีพระพุทธเจ้าก็ถูกนินทาพระพุทธเจ้าก็ถูกดา่าถูกชมด้วยก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติของมันนะ แต่พอเราหลงอยู่กับสิ่งนี้จิตมันไปคล้องเกี่ยวอยู่กับสิ่งนี้เราก็ไม่รู้จักอันอื่นมันก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าเรายังวนเวียนอยู่กับทางนี้พอเลิกวนเวียนอยู่กับทางนี้ทิ้งทางนี้ไปมันก็ไปรู้จักอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่มันเต็มบริบูรณ์ด้วยตัวของมันเองไม่ต้องทําอะไรกับมันอย่างนี้นะทีนี้เพื่อให้เข้าใจอันนี้ได้ชัดเจนหรือ ว, ว่าได้มีหลักการขึ้นเราจะได้เอาไปศึกษาต่อ ก็จะพูดเรื่องอริยาศาสตร์ให้ฟังจะได้พอคร่าวๆนะเดี๋ยววันต่อไปจะพูดละเอียดให้ฟังเพราะว่าที่พระพุทธเจ้าแสดงแสดงอยู่สารนาฏเนาะแสดงธรรมาจากักรเราจะได้เอาไปสวดไปท่องกั น, นอริยาศาสตร์ทั้งสี่เราก็คงจํามาอยู่แล้วมีทุกทุกขันสมุทยัยทุกขานิโรธาทุกขนิโรธาคามมนีปฏิปทามีสี่อย่างทุกนี้คือสภาวะที่มันว่างเปล่าจากความหมายของตัวตนเป็นสิ่งที่ อีนาศัยเหตุปัจจัยในการเกิดขึ้นเกิดมาแล้วก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็คือตัวเรานี่แหละเวลาเราไปท่องตามหลักการท่านก็จะให้ท่องว่าชาติปีทุกขาการเกิดน่ะเป็นทุกข์หมายถึงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ตัวตนสัตว์บุคคลเป็นเพียงแต่ตัวทุกข์เท่านั้นที่มันเกิดเป็นสิ่งที่ไร้ตัวตนไม่ใช่คนผู้หญิงเกิดผู้ชายเกิดแมวเกิดหมาเกิดเทวดาเกิดพรหมเกิดไม่ใช่อย่างนั้นเป็นแค่ตัวทุกข์ที่มัน เปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างเท่านั้นเองมันยังตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของโลกแล้วก็เป็นตัวทุกข์ที่มันเกิดไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเฉยๆเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นตัวทุกข์เป็นธรรมดาของมันเป็นภาระที่เราต้องดูแลมันไปนะแล้วก็การได้ประสบกับสิ่งที่เราไม่น่าพอใจมันก็เป็นตัวทุกข์เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นของมันเอง การได้พลาดพลาดก็เป็นเรื่องธรรมดาการปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาการต้องโศกาปริเทวะทุกโธมนัสอุปายาสะเมื่อประสบกับาการพลาดาดหรือว่าเรารักสิ่งใดแล้วเราก็ต้องเสียใจเพราะสิ่งนั้นก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่สิ่งที่มีตัวมีตนอะไรเขาเรียกว่าเป็นตัวทุกข์อันนี้เรียกว่าทุกขาริยสัตว์เวลาว่าโดยสรุปรวบย่อแล้วก็คือตัวเราเอง กายกับใจเราเองขันทั้งห้าที่เป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นนี้เขาเรียกว่าตัวทุกข์ตัวทุกข์นี้มันเกิดเองมันก็จะดับเองมันเป็นเรื่องธรรมดาของมันถ้าไม่มีใครต่อมันไม่มีเชื่อให้มันมันก็จะไม่มีอะไรต่อมันเกิดแล้วมันก็จะต้องดับมันเป็นกฎธรรมชาติของมันทีนี้เราทั้งหลายนี้ใส่เชื่อให้มันคือทุกขสมุทัยทุกขะสมุทัยคือการไม่ยอมรับทุกตามที่มันเป็นแล้วอยากให้มันเป็นอย่างอื่น เราสุขเราไม่ยอมรับสุขตามที่มันเป็นจริงเราอยากให้มันสุขอยู่นานๆทั้งๆที่สุกมันของไม่เที่ยงเราทุกเราก็ไม่อยากได้ทุกทั้งๆที่ทุกมันเกิดเพราะเหตุอยากให้มันหายไปเร็วๆทั้งๆที่มันไม่ได้หายไปตามใจอยากมันหายเมื่อมันหมดเหตุสุขก็หายเมื่อมันหมดเหตุทุก็หายเมื่อมันหมดเหตุสงบก็หายเมื่อมันหมดเหตุแต่เราอยากได้มันเครียดก็หายเมื่อมันหมดเหตุแต่เราอยากให้มันหายเร็วกว่านั้น ตัวความอยากตัวความต้องการนี้มันเป็นตัวสร้างให้เกิดความทุกชนิดใหม่ๆขึ้นมาไม่หยุดเพราะว่าเป็นการให้อาหารคือทุกอันเก่านี่มันมีเหตุมันเกิดแล้วมันก็ดับเลยแล้วทุกอันใหม่ที่มันมีได้เพราะอะไรเพราะว่าตัวทุกขสมุทัยคือความอยากมันทําให้เกิดทุกอันใหม่มาเรื่อยๆอันนี้เขาเรียกว่าทุกขสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกอันใหม่ๆคือความเพลิดเพลินยินดีกับอันนึงไม่ชอบอันนึง เกี่ยวเอาอันนั้นอันนี้อันนี้ไปทำโน่นทํานี่เพื่ออย่างนั้นอย่างนี้ตอนนี้เราทุกข์อยู่เราก็พยายามอธิษฐานขอให้ทํานั่นทํานี้ประสบความสําเร็จจนกระทั่งเป็นคนดีได้เป็นเทวดาก็ได้ทุกตัวใหม่มาคือเป็นเทวดานะอย่างตอนนี้เราเครียดเราไม่อยากจะเครียดเราก็พยายามหาวิธีจะไม่ให้มันเครียดตัวทุกข์คความเครียดมันเกิดมันก็หายไปกลายเป็นตัวทุกตัวใหม่คือความไม่เครียดตัวทุกตัวเก่าก็ยังไม่ได้เรียนรู้ตัวทุกตัวใหม่ก็เกิดขึ้นมาแทน เมื่อตัวคล้ายๆเดิมเกิดขึ้นมาอีกเราก็ไม่รู้จักมันอีกก็หนีมันอีกได้ตัวใหม่มาอีกมันก็เลยเกิดการวนเวียนไปอย่างนี้นะนี่ของเก่านี่ยังไม่ได้เรียนรู้แล้วเราไปเปลี่ยนเป็นของใหม่ของใหม่ก็คือทุกนั่นเองฉะนั้นสิ่งไหนที่มันเกิดมันล้วนแต่เกิดตามเหตุตามบัจจัยทั้งนั้นล้วนแต่ไม่เที่ยงทั้งนั้นนะล้วนแต่เป็นของที่บังคับไม่ได้ทั้งนั้นเลยถึงเราจะเปลี่ยนแปลงมันยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นของมันอย่างนี้นะ ฉนันตัวความอยากตัวความต้องการตัวการเพลิดเพลินกับอันใดอันหนึ่งตัวการไม่เอาอันใดอันหนึ่งอันนี้เขาเรียกทุกขะสมุทยัยคือตัวตันหาตัวตันหาเนี่ยเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดทุกข์วนเวียนไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดเราทั้งหลายจะจบลงอยู่ในกระบวนการตรงนี้ก็คือมีทุกข์คือสิ่งต่างๆมันเกิดตามเหตุตามปัจจัยแล้วเราก็อยากให้มันอยู่นานๆบ้างไม่อยากได้มันบ้าง อยากให้มันเป็นอย่างอื่นบ้างอยากให้มันดีขึ้นกว่าเดิมบ้างตอนนี้ตัวเองยังไม่ดีเท่าไหร่ก็อยากให้มันดีขึ้นบ้างดีแล้วก็ยังไม่พอบ้างไปเรื่อยๆมันก็อยู่ในวงจรนี้อยู่วงจรนี้ก็เรียกว่าวงจรของทุกนะวงจรของการวนเวียนเห็นไหมมีทุกขกับทุกขสมุทัยทุกคืออุปาทานขันธ์ทั้งห้าขันธ์ทั้งห้าอันเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นทุกขสมุทัยคือตัวตันหาตัวความอยาก ตัวความรู้สึกในใจเราที่ทําไมมันเป็นอย่างนี้ทําไมมันเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้ซึ่งเราทุกคนก็เป็นอยู่ฉะนั้นเราทั้งหลายจึงวนเวียนอยู่กับทุกข์นี้ไม่สิ้นสุด ท, ทักทีนะทีนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเท่านี้นะมันเลยไปกว่านั้นด้วยคือมีทุกขานิโรธด้วยคือความพ้นทุกข์ไปความหมดทุกข์ไปการดับทุกข์การไม่มีทุกข์นะตัวการดับทุกข์ทุกขานิโรธนี้ก็คือความสิ้นปัญหา สิ้นความอยากนะทุกขันิโรธาเนี่ยมันหมายถึงความสิ้นตัณหาสิ้นความอยากสิ้นความต้องการสิ้นความคาดหวังในสิ่งต่างๆเพราะว่าเรายอมรับมันอย่างที่มันเป็นได้พอยอมรับมันอย่างที่มันเป็นได้ตัณหามันก็หมดที่ตั้งมันไม่มีที่ให้เราไปอยากได้ต้องการมันก็สิ้นตัณหาเมื่อสิ้นตัณหาก็เป็นทุกขนิโรธะ ก็ความสิ้นตัณหาทุกขานิโรธะอันนี้แหละคือพระนิพพานนะเมื่อสิ้นตัณหาทิ้งไปนะก็จะเป็นสภาวะที่ปราศจากตัณหาปราศจากทุกขคือทุกขานิโรธะคือพระนิพพานนั่นเองในเมื่อพูดถึงว่าอ้าวทุกขานิโรธะคือความสิ้นทุกมันมีหนทางก็ต้องมีด้วยพระองค์ก็มาประกาศหนทางอันนี้เรียกว่าทุกขานิโรธาขาไม่หนีปฏิปทาคืออรยิยมรรคมีองค์แปดประการ มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิหรือว่าแยกเป็นสามศีลสมาธิปัญญาตามโอวาทปปิโมกอะไรก็ได้อันนี้เป็นการฝึกฝนเพื่อให้มันมีขึ้นเพื่อที่จะได้รู้ว่าอ๋อทุกข์มันเป็นอย่างนี้นะตัวทุกขาสมุทรไทยหน้าตามันเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ละมันไปแล้วก็จะรู้จักอีกอันหนึ่งซึ่งเราไม่เคยเห็นเลยเพราะว่า เรายัางไม่เคยฝึกให้มีอริยมรรคเกิดขึ้นฉะนั้นถึงเราจะพูดถึงพระนิพพานพูดถึงทุกขานิโรธะขนาดไหนก็ตามถ้าเราไม่มีอริยมรรคมันก็ไม่รู้จักนะฉะนั้นจึงพูดเรื่องทุกเรื่องอะไรให้ฟังก่อนแล้วก็ค่อยๆฝึกไปแล้วเราก็จะเริ่มรู้จักนะนี่นะเห็นไหมเรื่องอริยสัจทั้งสี่ทุกคือกายกับใจนี้เราต้องรู้หรือว่าต้องทําความเข้าใจให้มันแจ่มแจ้ง มันเป็นธรรมดาของมันอย่างนี้นะเกิดเป็นเรื่องธรรมดาอย่างนั้นอย่างนั้นแหละเรียกว่าเกิดตายก็เป็นเรื่องธรรมดาอย่างนั้นอย่างนั้นแหละเรียกว่าความตายความเจ็บป่วยเป็นเรื่องธรรมดาอย่างนี้แหละเรียกว่าความเจ็บป่วยแก่ก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นของเกิดดับเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเป็นของไม่มีตัวตนอย่างนี้ฉะนั้นตัวทุกขาริยศาสตร์นี้เอาไว้เรียนรู้ให้มันแจ่มแจ้งให้มันเข้าใจโลก เพราะว่าตัวทุกนี้ก็คือตัวโลกที่มันวนเวียนไปนะส่วนทุกขะสมุทัยคือตัวตัณหานี่ให้เราไปทําความรู้จักมันแล้วก็ละมันสิ่งที่เราต้องละคือทุกขะสมุทัยคือตัวตัณหาตัวความอยากตัวความต้องการตัวไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมรับสิ่งที่มันเป็นตัวคําถามของเราทั้งหลายแหล่ตัวคติในใจของเราทั้งหมดทั้งมวลต้องละออกไปสิ่งที่เราต้องละก็คือทุกขะสมุทัย คือตัณหาเมื่อสิ้นตัญหาไปก็จะรู้จักอีกกันหนึ่งคือทุกขนิโรธะซึ่งหนทางก็คือทุกขนิโรธะคามินีปฏิปท า, าเห็นไหมฉะนั้นเวลาพูดเรื่องทุกก็พูดเรื่องความสิ้นไปแห่งทุกคือทุกขนิโรธะด้วยเวลาบอกว่าความเกิดเป็นทุกขก็มีความไม่เกิดเนี่ยเป็นความไม่ทุกด้วยเวลาพูดเรื่องความตายก็พูดถึงความไม่ตายด้วย ดังนั้นเราทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธนี่นะเกิดมาแล้วเนี่ยถ้าเข้าใจธรรมะหมวดนี้แท้ที่จริงเราไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะตายแต่เราเกิดมาเพื่อที่จะไม่ตายเราไม่ได้เกิดมาเพื่อความแก่แต่เราเกิดมาเพื่อที่จะไม่แก่เราไม่ได้เกิดมาเพื่อทํากรรมดีบ้างไม่ดีบ้างวนเวียนไปแต่เราเกิดมาเพื่อให้ถึงความสิ้นกรรมเราไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะทําบุญเยอะๆจะได้ไปสวรรค์จะได้โนู่นได้นี่ได้ทรัพย์สมบัติเงินทองไม่ใช่อย่างนั้น แต่เราเกิดมาเพื่อที่จะทําให้มันหมดบุญไปให้มันสิ้นบุญไปจะได้ไม่ต้องมาเวียนเกิดเวียนตายมาเป็นคนรวยมาเป็นคนยากจนมาเป็นคนนั้นมาเป็นคนนั้นซึ่งมันน่าเหนื่อยอเลยก็แล้วนี่นะนี่มุมมองแบบเข้าใจชีวิตอย่างถึงที่สุดก็จะเป็นมุมมองชนิดอันนี้ที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศเอาไว้ที่ประกาศธรรมจักก็คืออันนี้มุมมองอันนี้เป็นข้อ ความจริงที่เป็นสัจธรรมที่ไม่สามารถที่จะพลิกกลับหรือว่าไม่มีใครจะคัดค้านได้เลยนะซึ่งเราทั้งหลายนั้นโดยส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นคนธรรมะหน่อยก็อา้าวเราเกิดแล้วแก่เป็นธรรมดาเท่านี้ก็ถ้ายอมรับได้ก็ถือว่าเป็นคนดีพอสมควรแล้วแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเท่านั้นนะสอนเรื่องความไม่แก่ดันั้นเราเกิดมาแล้วไม่จําเป็นจะต้องแก่เพราะว่าห่างจากความแก่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่แก่ เราเกิดมาแล้วไม่ใช่เกิดมาตายเกิดมาเพื่อเดินไปสู่ความไม่ตายเขาเรียกว่าเดินไปสู่อมตะประตูอมตะก็คืออริยมรตมีองค์แปดประการนะนะไม่ใช่เกิดมาเพื่อใช้ชีวิตวนเวียนอยู่กับโลกแต่เกิดมาเพื่อทำความเข้าใจโลกและอยู่เหนือมันอยู่เหนือโลกโลกมันก็เป็นโลกของมันนะดีบ้างไม่ดีบ้างสุขบ้างทุกบ้างเสียงนินทาบ้างเสียงสรรเสริญบ้าง เกิดบ้างตายบ้างมันก็เป็นโลกของมันอย่างนั้นนั่นแหละแต่เกิดก็ดีตายก็ดีไม่ได้ส่งอิทธิพลต่อจิตใจเราเลยเป็นเพียงประสบการณ์อันหนึ่งซึ่งทุกคนก็ต้องพบต้องเจอเป็นเรื่องประสบการณ์ธรรมดาธรรมดาเกิดก็มีประสบการณ์กับมันเข้าใจมันแล้วเหลือตายอ้าวก็มีประสบการณ์กับมันอีกก็เข้าใจมันแล้วก็หมดกันอย่างนี้สุขก็มีประสบการณ์กับมันแล้วก็เข้าใจมันแล้วก็ไม่ได้อยากได้สุขอะไรไม่ได้อยากแปลงมันให้เป็นอย่างอื่น ทุกก็มีประสบการณ์กับมันแล้วผ่านประสบการณ์ามาหมดอย่างนี้นะก็จะกลายเป็นผู้ที่มั่นคงแข็งแกร่งแล้วก็เป็นผู้ที่เข้าใจความจริงเป็นผู้ที่ร่มเย็นนะเพราะว่าผ่านสิ่งต่างๆมาหมดนะก็เหมือนต้นไม้ใหญ่เวลาเขาจะให้ร่มเงาได้ใช่ไหมก็ต้องผ่านมาหลายๆฤ ด, ดูกาลผ่านร้อนผ่านฝนผ่านหนาวมา ทุกฤดูกาแลแลมแรง ก, ก, ก, รงก็ผ่านมาแล้วลมเบาๆก็ผ่านมาแล้วฝนตกแรงก็ผ่านมาแล้วผ่านมาหลายๆปีเข้าก็เป็นต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่มันก็ร่มรื่นใช่ไหมร่มเงาอันนี้ก็เหมือนการสําหรับบุคคลที่เขาผ่านโลกแล้วก็เข้าใจโลกก็จะเป็นบุคคลที่สงบเยือกเย็นนะเพราะว่าผ่านสิ่งต่างๆมาเข้าใจมาแล้วนี้ถ้าเราอยากจะรู้ว่าเออเราเป็นยังไงบ้าง อันนี้ก็คือสิ่งเหล่านี้แหละจะเป็นตัววัดว่าเรามาเกิดมาในโลกแล้วได้ศึกษาได้ทําความเข้าใจแล้วก็ได้รู้จักวิธีที่จะออกไปจากมันหรือเปล่าอันนี้นะนี่ถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้นะถ้าเข้าใจธรรมะอันนี้อย่างแท้จริงแล้วเราก็จะเห็นว่ามันไม่มีสิ่งสําคัญเพราะว่าถึงเราจะหาเงินหาทองมาเยอะแยะ เราก็ตายจากมันอยู่ดีฉะนั้นเรื่องเงินจึงไม่ใช่สำคัญเรื่องชื่อเสียงหามาเยอะแยะมันก็เอาไปด้วยไม่ได้มันจึงไม่ใช่สิ่งสำคัญอะไรอีกละ่ะสามีแล้วมันก็ตายจากกันอยู่ดีจึงไม่ใช่สิ่งสำคัญนะฉะนั้นไอ้สิ่งสำคัญจึงไม่มีสำหรับผู้ที่เข้าใจกรอบมุมมองของชีวิตอย่างครบถ้วนแล้วเพราะว่ายังเหลืออยู่สิ่งเดียวต่นนั้นเองมีสิ่งเดียวขาจึงเรียกว่าทางเดียว ไม่เรียกว่าทางสำคัญหรือไม่สำคัญเพราะว่าไม่มีตัวเทียบ ม, มีแต่เรื่องทางเดียวนั้นถ้าเรามาสนใจธรรมะได้เข้าใจธรรมะแล้วได้รู้จักทางเดียวอันนี้แล้วก็ได้รู้จักว่าโอ้ชีวิตเราเนี่ยแท้ที่จริงมันไม่ได้มีอะไรมันมีการแค่ฝึกฝนมาเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเข้าใจไม่ว่าเราจะใช้ชีวิตแบบไหนใช้ชีวิตแบบมีครอบครัวแบบมีลูกแบบอยู่วัดแบบอยู่แบบยเป็นคราวาสแบบทางานทางโลก แบบไหนก็ตามแต่ก็เพื่ออันเดียวกันนี้คือเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างให้มันแจ่มแจ้งลงไปแล้วก็อยู่เหนือมันให้ได้อันนี้ฉะนั้นแต่ละคนนี้จึงเหมือนกันหมดโดยทางอันนี้เขาจึงเรียกว่าทางเดียวกันทางเดียว น, นะมีสิ่งเดียวที่เราต้องทํานี่พอเข้าใจไหมนะฉะนั้นในมุมมองของอริยสัจทั้งสี่นะทุกคือกายกับใจของเราเองนี้นให้เรียนรู้มันให้เข้าใจ ผมยบอกให้ท่านคอยสังเกตตัวเองดูกายมันเป็นยังไงก็รู้ใจมันเป็นยังไงก็รู้ต่อไปมันจะแสดงความจริงให้เราดูแล้วเราก็จะได้เข้าใจมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นได้ทราบซึ้งกับมันเพิ่มขึ้นทุกขัดสมุทัยคือตัวตัณหานี่ให้ละความอยากได้ความต้องการความคาดหวังความยินดีเพลิดเพลินกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอนี้ให้ละมันนะให้ละ ทุกขานิโรธานี้ควรจะทําให้แจ้งให้รู้จักเพราะว่าเราไม่เคยรู้จักเราก็ควรจะทําให้รู้จักเราไม่ต้องมาถามว่าเอ้าพูดถึงสิ่งที่ผมไม่รู้จักก็พระพุทธเจ้าก็บอกว่าเนี่ยทุกขานิโรธะควรจะทําให้รู้จักควรจะทําให้แจ้งเพราะว่าเรายังไม่เคยรู้จักฉะนั้นเราจึงพูดว่าเอ๊ะทุกขานิโรธาผมไม่เคยรู้จักก็ถูกแล้วไงฉะนั้นคุณจึงควรฝึกฝนให้รู้จักควรทําให้รู้จัก โดยรู้ทุกให้มันเข้าใจแจ่มแจ้งยอมรับมันอย่างที่มันเป็นแล้วค่อยๆละปัญหาละความอยากความต้องการละความคาดหวังสิ่งต่างๆไปทุกขนการทีธาก็จะค่อยๆแจ่มแจ้งขึ้นมาเรื่อยๆนะค่อยๆเข้าใจเพิ่มขึ้นจนกระทั่งต้องฝึกฝนตนเองให้มีอริยมรรคเกิดขึ้นคือศีลสมาธิปัญญาอริยมรรคมีองค์แปดประการนี้ควรเจริญ ถ้ายังไม่มีก็ควรทำให้มีขึ้นถ้ามีแล้วก็ทําบ่อยๆฝึกฝนไปเรื่อยๆจนกระทั่งสมบูรณ์ขึ้นในที่สุดตัวอริยมรรคมีองค์แปดนี้แหละท่านเรียกว่ามันเป็นทางเป็นทางฉะนั้นเราต้องฝึกฝนให้ได้ทางอันนี้ตั้งแต่เริ่มต้นคือศีลสมาธิปัญญาไปตามลำดับโดยเริ่มต้นจากการฟังให้เข้าใจก่อนให้ได้ ความรู้ชนิดที่เป็นสัมมาทิฏฐิเข้าใจถูกต้องแล้วก็ไปฝึกฝนประพฤติปฏิบัติอย่างนี้นะทีนี้ถึงเราฟังแล้วฟังพอเข้าใจแล้วเออเราจะได้หนทางได้รู้จักทางไหมมันก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ได้จากการฟังฟังก็พอเข้าใจส่วนการที่เราจะรู้เนี่ยเราต้องไปทำเอาเองมันเหมือนอุปมายอย่างนี้คือสมมติแถวแถวนี้เป็นหญ้าเต็มไปหมดเลย เป็นหญ้าเต็มไปหมดเราอยากจะทําให้มันเป็นทางเราทําไงเราไม่ต้องไม่ต้องใช้แบบเขาเรียกเครื่องทุนแรงอะไรมากเอาปกติธรรมดาธรรมดาเราก็เดินไปเดินไปเดินมาบ่อยๆเดินไปเรื่อยเดินไปเดินมาไปเรื่อยพอเดินไปเดินมาบ่อยๆหญ้ามันก็เรียบลงเรียบลงเรียบลงแล้วมันก็เป็นทางรู้ตอนไหนว่ามันเป็นทางก็ตอนที่มันเป็นนั่นแหละ แล้วใครเราเป็นคนรู้ก็คนเดินนั่นแหละรู้เองว่ามันเป็นทางแล้วทางมันอยู่ตรงไหนละ่ะก็อยู่ตรงที่เดินตอนแรกนั่นแหละแต่ตอนแรกมันไม่เป็นตอนหลังๆมันจึงเป็นดะนั้นการฝึกฝนก็เหมือนกันการดูกายดูใจเอดูแลจะได้อะไรเนี่ยฝึกแล้วจะได้อะไรละชั่วทําดีเออรู้จักตนเองแล้วละการพูดเท็จละการพูดคำหยาบละการพูดส่อเสียดละแล้วมันไม่เห็นได้อะไรเลยอย่างนี้ที่เราจะไม่เห็นได้อะไรก็คล้ายๆกับเราเดินนะฮะ เดินเมื่อมันเดินยังไม่ถึงจุดของมันมันยังไม่เป็นทางเราก็ยังไม่รู้แต่เราฝึกไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเพราะว่าตอนแรกเราก็อาศัยพระพุทธเจ้าก่อนใช่ไหมเรายังไม่รู้เองนี่นะอ่าเราเดินไปเรื่อยๆสมมุติเราเดินเราก็คงจะพอเห็นหลางๆแล้วมั้งว่าเป็นทางบ้างอะไรบ้างเห็นไหมก็เริ่มมองเห็นหลางๆจนกระทั่งบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นมันก็กลายเป็นทางเราก็โอ้มันเรียบแล้วนี่ยเป็นทางแล้วนี่ยก็เหมือนกัน เราละความไม่ดีไปอะไรไปชีวิตเราก็พลิกกลับแต่เดิมที่เป็นเรื่องยุ่งยากอย่างนั้นอย่างนี้เลยมันก็พลิกพลิกพลิกพลิกแล้วก็เริ่มเห็นว่าเออสภาวะที่มันปราศจากตัญหาไม่มีความอยากไม่มีความต้องการมันเป็นอย่างนี้เองนะสบายอย่างนี้เองนะมันก็เห็นลางๆอีลางๆไปเรื่อยจนกระทั่งเป็นทางเป็นของเฉพาะตนของคนนั้นไปนี่พอเข้าใจไหมนะนี่ที่ท่านถามเรื่องอะไรมองไม่เห็นนิพพาน ชั้นที่มองไม่เห็นนั้นจึงถูกแล้วพระพุทธเจ้าท่านยังบอกว่าพระนิพพานนั้นควรกระทำให้แจ้งทุกนี้ควรรอบรู้มันทําความเข้าใจมันว่ามันเป็นของไม่ที่ยังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทุกข์าสมุทัยคือตัณหาควรละมันทุกข์นิโรธาคือพระนิพพานควรทําให้แจ้งให้รู้จักส่วนทุกข์นิโรธาาดไม่มีปฏิปทาคืออริยมรรคมีองค์แปดควรเจริญควรทําให้มันมีขึ้นนี่พอเข้าใจไหม แต่วันหลังก็จะได้ขยายความให้ฟังนะแต่วันที่พูดพูดมาก็พูดเรื่องนี้นั่นแหละเพียงแต่ว่าอาจจะงงบ้างอะไรบ้างนะตามฟอร์มนี่คงคงพอตอบคำถามได้บ้างนิดหน่อยนะแต่ว่ายังไม่ต้องเข้าใจมากก็ได้เอาพอสมควรนะฉันให้ทราบว่าพระพุทธศาสนานี้สอนแบบถ้าเราเข้าใจอย่างแท้จริงแล้วเราจะเข้าใจจิก๊กซอของชีวิตเราทั้งหมดเลยว่าแท้ที่จริงเราไม่ได้เกิดมาตายเพราะว่าการเกิดมาตายนั้น มันเป็นเรื่องธรรมดาเองมันมีสิ่งที่เราต้องทำกว่านั้นด้วยก็คือเกิดมาเพื่อเดินไปสู่ความไม่ตายเกิดมาในโลกทำความเข้าใจโลกเพื่ออยู่เหนือโลกฉะนั้นมันจะมีเป็นสิ่งที่ท้าทายอยู่เสมอเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ต้องศึกษาต้องไม่ประมาทอยู่เสมอเห็นไมไม่ใช่ลงแล้วโอ้ฉันเกิดมาแล้วฉันต้องตายลงแล้ไม่ใช่อย่างนั้นนะ ยิ่งเกิดมาแล้วยิ่งอยู่นานยิ่งหนุ่มแน่นยิ่งความคิดฉับไวยิ่งเข้าใจโลกยิ่งสามารถเข้าใจมองทะลุถูกลงได้มากขึ้นเพราะว่าผ่านประสบการณ์ได้มากขึ้นไม่ใช่ยิ่งแก่ตัวก็ยิ่งขี้บ่นยิ่งแก่ก็ยิ่งมีภาระหนักมากขึ้นมีสามีเอามีลูกมีหลานมีเหรนหนักขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันมีเรื่องให้บ่นเยอะทุกวันอย่างนี้มันก็ไม่ได้เรื่องอะไรนะซึ่งเราก็คงจะเป็นอย่างนั้นกันมากโดยส่วนใหญ่เห็นไหม อายุมากขึ้นภาระก็เยอะขึ้นใช่ไหมตอนเรียนหนังสือภาระเยอะไหมไม่ค่อยมีอะไรเนอะไม่ค่อยมีภาระมากอย่างดีก็รายงานนิดหน่อยแล้วก็ทาข้อสอบนิดหน่อยพอมาทํางานก็อา้าวภาระเพิ่มขึ้นพอมีแฟนไปนไงภาระเพิ่มขึ้นมีลูกอีกโอ้ทีนี้จิต ป, ปาระมีแต่ภาระเพิ่มขึ้นอันนี้แสดงว่าเราไม่สามารถที่จะเรียนรู้หรือว่าเข้าใจโลกได้นะแต่ที่จริงแล้ว เรามาในโลกถ้าอยู่นานเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นภาระต่างๆที่เคยมีมันก็ต้องลดลงลดลงลดลงจนกระทั่งปล่อยวางภาระไดเไ้เราสามารถจัดแจงจัดการสิ่งต่างๆได้แต่ไม่เห็นว่ามันเป็นภาระอะไรเห็นี้เข้าใจไหมเอาให้ถามะนะทางสายกลางนี้แท้ที่จริงคืออริยมรตมีองค์แปดคือ สัมมาทิฏฐิเป็นต้นจนกระทั่งถึงสัมมาสมาธิอันนี้เขาเรียกทางสายกลางทีนี้ก่อนที่จะเป็นทางสายกลางหรือว่าอริยมรรคอันนี้มันจะเป็นมรรคมาก่อนมรรคเป็นหนทางมาก่อนทีนี้ก่อนจะเป็นหนทางมันก็มีก่อนจะเป็นหนทางมาก่อนอีกเรียกว่าบุพภาคมรรคมีอริยมรรคแล้วก็ก่อนจะเป็นอริยมรรกก็เป็นมรรคก่อนจะเป็นมรรกก็เป็นบุพภาคมรรคคือก่อนจะมรรคนั่นเองนะปุพพาก็แปลว่าก่อน ปุปภภาคมร ก, ก็ก่อนจะเป็นมรปุปพภาคปุปพะเนี่ยปุปพะก็แปลว่าก่อนอ่าปุพภาคเอ อ, อะไรพวกนั้นแนะ่ะปุปภภาคมร ก, ก็คือก่อนจะเป็นมรฉะนั้นว่าเรียงเรียงไปตามลําดับก็จะมีปุปพภาคมรมรแล้วก็อริยมรนะฉะนั้นเพื่อจะให้เข้าใจทางสายกลางอริยมรนี้ เราก็เรียนรู้ไว้หน่อยก็ได้แล้วเราก็ไปทําความเข้าใจปุพพาคมักจะได้ประพฤติปฏิบัติมาปุพพาคมักนี้ก็คือหลักของเอกายนัมมักหนทางเดียวหลักของสติปัฏฐานทั้งสี่ซึ่งมีอยู่สามคำเท่านั้นเองอันที่หนึ่งคืออาตาปีอันที่สองคือสัมปชาโนอันที่สามคือสติมาฝึกตามนี้เท่านั้นเองอาตาปีคือมีความเพียรเผากิเลสเพียรเผากิเลสนะอย่าเพียรตามกิเลส เราทั้งหลายโดยส่วนใหญ่ที่ทำธรรมกันอยู่มันทำตามกิเลสการเพียนเผากิเลสคือให้อยู่เฉยๆอยู่เฉยๆเป็นไหมฝึกอยู่เฉยๆไปเพียนเพียนที่จะอยู่เฉยๆการอยู่เฉยๆนี่ต้องใช้ความกล้าหาญและความเพียนเป็นอย่างมากส่วนการทำอะไรรกลุงดังไปมือเป็นละวิงพวกนี้เด็กๆผู้ใหญ่เขาอยู่เฉยๆฝึกอยู่เฉยๆให้เป็นเพียนเผากิเลส ถ้ามันอยากดูให้รู้ว่ามันอยากดูอย่าไปดูตามมันอยากพูดให้รู้ว่ามันอยากพูดอย่าไปพูดตามมันอยากทำนั่นทำนี่ให้รู้ว่ามันอยากอย่าไปทำตามมันอยากวิจารให้รู้ว่าอยากอย่าไปทำตามมันอยากแก้อยากว่าคนนั้นอยากว่าคนนี้ให้รู้ว่าอยากอย่าไปทำตามมันเพราะปกติเราทำตามความอยากอยู่แล้วตัวเองอยากทำอะไรก็ทําไปเรื่อยวนเวียนไปเรื่อยให้รู้ทันกิเลสแล้วอย่าทาตามมัน ให้อยู่เฉยๆทำเฉพาะสิ่งที่จําเป็นต้องทำเท่านั้นพอส่วนอะไรที่เกินจําเป็นไปให้หัดแล้วก็เลิกไปอะไรต่างที่เกินจําเป็นเยอะมากนะไม่ต้องห่วงมีเรื่องให้ฝึกเยอะอันที่หนึ่งคือมีความเพียรเผากิเลสเพียรไม่ใช่เพียรตามกิเลสแต่เพียรที่จะไม่ทําตามกิเลสนี่อันที่หนึ่งนะอันที่สองคือสัมปชานโนคือมีความรู้ตัวอยู่เสมอเวลาที่เราทําอะไรพูดอะไรคิดอะไร เวลาเราจะพูดอะไรเนี่ยมันพูดด้วยเราคิดอะไรอยู่รู้สึกอะไรจึงมาพูดต้องการอะไรจึงมาพูดต้องรู้ตัวเวลาทำอะไรเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์อะไรคิดอะไรจึงมาทำเนี่ยเรียกว่ารู้ตัวในการทำพูดคิดอยู่เสมอแล้วอันที่สามคือสติมาให้รู้กายรู้ใจตัวเองไว้กายตัวเองหายใจเข้าหายใจออกก็ให้รู้ สุขทุกข์พอใจไม่พอใจเครียดวิตกกังวลเสงเบื่อหนายไม่รู้เรื่องงงสงสัยก็ให้รู้เนี่ยอาตาปีเห็นไหมเพียนเผากิเลสอย่าทําตามกิเลสมีเรื่องให้ฝึกเยอะส่วนใหญ่เราทั้งหลายชอบพูดกันใช่ไหมอันนี้ก็ใช้เป็นเครื่องฝึกเวลาเราอยากพูดให้ดูว่ามันอยากอยากไปพูดตามมันเวลาอยากไปหาคนนี้อยากให้เขารู้เรื่องด้วยให้รู้ว่าอยากอย่าไปทําตามมัน ถ้ามันไม่จำเป็นรอเรื่องจำเป็นก่อนค่อยทำปกติเรื่องมันไม่จำเป็นเยอะแยะอย่างมาที่นี่เขาคงไม่ได้ใช้ให้เราพูดอย่างนี้ยใช่ไ ม, มไม่ต้องพูดสักคำเลยก็ได้มาเนี่เพราะว่าเขาไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้วถ้าเราไม่พูดมีเครื่องต้องฝูกเยอะแยะใช่ไถ้าเราจำเป็นต้องพูดเช่นเขาถามทางหรือว่าเขาให้เราอธิบายเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราก็จัดการไปอันนั้นไม่เป็นไรอย่างนี้เห็นหมอันนี้เขาเรียก ว, ว่าเพียนเผากิเลสนะ เราไม่ได้เพียรนั่งไม่ได้เพียรเดินแต่เพียรเผากิเลสเพียรเผาความต้องการในการปฏิบัติธรรมนี้นะเราไม่ได้เพียรมาทําสิ่งใดให้มันเที่ยงแต่ว่ามาเพียรดูว่าไม่มีสิ่งไหนมันเที่ยงเราไม่ได้มาเพียรทําเพื่อจะทําให้เรามีความสุขแต่ว่าเรามาเพียรศึกษาเรียนรู้ว่าอกายกับใจเรานี่มันเป็นตัวทุกบีบคัน้นให้เราทํานั่นทํานี่อยู่เรื่อยเราไม่ได้มาเพียรบังคับตัวเอง แต่มาเพียนดูว่ามันบังคับไม่ได้เนี่ยนะเห็นซึ่งแต่เดิมเราไปเพียนทำให้มันเที่ยงเพียนทำให้มันดีให้มันสงบเพียนบังคับนั่นบังคับนี่ไปเรื่อยอันนั้นมันเพียนตามกิเลสซึ่งเราก็ทำกันมานานแล้วต่อไปเราเพียนเผากิเลสไม่ทำตามกิเลสอันที่หนึ่งคืออยู่เฉยๆไว้เยอะๆอันที่สองคือเพียนดูว่ามันไม่เที่ยงไม่ใช่ไปพยายามทำให้มันเที่ยง ต่อมาก็เพียรรับรู้ว่าเออสิ่ ง, งต่างๆเป็นของบีบคั้นให้เราทํานั่นทนํานี่ไม่มีสิ่งไหนมันคงทนอยู่นานเลยไม่มีสิ่งไหนมันคงสภาพได้นานมันบีบขั้นให้เราทํานั่นทํานี่อยู่ด้วยนะความสงสัยความงงก็มันไม่ยอมบีบให้เรามาถามอยู่ด้วยอย่างนี้นะเห็นไหมเนี่ยเพียรดูว่ามันเป็นทุกขเพียรดูว่ามันบังคับไม่ได้มันเป็นอนัตตาไม่ใช่เพียรบังคับมัน นะฮฉะนั้นที่ท่านถามเรื่องความเพียนเรื่องอะไรต่างๆมันไม่ใช่ประเด็นสําคัญหรอกว่าเราเดินเยอะหรือนั่งเยอะอะไรต่างๆขอให้มันถูกต้องในลักษณะความเพียนเช่นนี้คือเพียนเผากิเลสเพียนเผาความอยากได้ความต้องการความเข้าใจผิดๆความเห็นผิดๆอย่างนี้นะแล้วอันที่สองคือสัมปชานโนให้มีความรู้ตัวไว้ปกติเราจะหลงไปใช่ไหมถ้าหมาวิ่งมาตัวหนึง่งท่านจะสนใจผมไหมเนี่ย ท่านก็สนใจหมาใจท่านไปอยู่ที่หมาแล้วอันนี้เรียกว่าไม่รู้ตัวตัวเองนั่งอยู่ยืนอยู่คิดอยู่ทําอะไรอยู่ไม่รู้เรื่องรู้แต่เรื่องหมานี่นเข้าใจไหมอย่างนี้เรียกว่าไม่รู้ตัวปะกะติเราจะไม่รู้ตัวอยู่แล้วนะเวลากินอาหารก็ น, นู่นอยู่ที่ไก่นู่นอร่อยไม่อร่อยเห็นไหมตัวเองยังไม่ดู้แหละตัวเองนั่งอยู่หายใจเข้าหายใจออกอยู่คิดอย่างนั้นอย่างนี้อยากได้ต้องการอะไรไม่รู้เรื่อง มันไปอยู่กับเรื่องอื่นฉะนั้นเราโดยโดยทั่วไปจะหลงไปกับเรื่องอื่นแล้วก็มีเรื่องนั้นเรื่องนี้มาพูดกันเยอะแยะมากมายทั้งทั้งที่จริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้ล่ะพูดไปเรื่อยนะจนกระทั่งเรื่องขำขันตลกโปกฮาไปสนุกสนานอย่างนี้เห็นไหมอันนี้เรียกว่าไม่รู้ตัวคือมันหลงไปที่อื่นธรรมชาติของใจนะี่มันหลงวนเวียนไปที่อื่นอยู่แล้วฉะนั้นให้หัดเยอะๆหัดรู้ตัวเยอะๆนะทีนี้ อันที่สามก็คือสติมาให้มีสติระลึกที่กายที่ใจเอาไว้ไม่มีอะไรทำอย่าอยู่นิ่งๆอย่าอยู่เฉยๆให้ดูกายดูใจตัวเองไว้มันมีอยู่แล้วกายกับใจของเรามีให้ดูตลอดหายใจเข้าหายใจออกก็มีให้ดูตลอดนะถ้ามันไม่ค่อยรู้ตัวเราก็ทุกตัวเองหน่อยมันก็รู้แหละอย่าไปสนใจคนอื่นมากหมาวิ่งมาอา้าไปสนใจหมาแล้วนี่เราทุบทุทุให้รู้ว่าตัวเองนั่งอยู่ ส่วนอย่าหมามันจะวิ่งยังไงอย่าไปสนใจมันเห็นนะมนะเด็กคนนั้นเป็นอย่างนั้นเด็กคนนั้นเป็นอย่างนี้โอ้คนนั้นน่าสงสารคนนี้ น, น่าสงสารให้ดูตัวเราเองเป็นหลักว่าอ่าตอนนี้มันสงสารเขาอย่าไปสนใจเขานะการรู้จักอารมณ์ข้างนอกนี่มันเป็นธรรมชาติของใจเราอยู่แล้วมันต้องรู้อยู่แล้วเพเียงแต่ตอนนี้เรามาสนใจรู้ตัวเองเข้าไว้นี่นะไอการฝึกฝนมีความเพียนเผากิเลสมีความรู้ตัวมีสติ รู้กายรู้ใจของตนเองอันนี้เขาเรียกปุปภาคมักก่อนจะเป็นมักฝึกอย่างนี้บ่อยๆก็เหมือนกับเราเดินบ่อยๆเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเมื่อไหร่จะเริ่มเป็นทางล่ะโอ้ก็เริ่มตอนที่เรามีสติสัมปชัญญะเพิ่มขึ้นอ้าวรู้ทันจิตใจตนเองเพิ่มขึ้นโอ้นี่จะพูดอย่างนี้เนี่ยนี่อยากหน้าใหญ่นี่แล้วไปพูดมันก็นลาะไปก็เริ่มมีสีขึ้น <c oughs> ก็เริ่มเห็นรางๆแล้วเห็นไหมเริ่มเป็นทาง รู้สิ่งต่างๆเพิ่มมากขึ้นออรู้ความคิดในสมองเราในหัวเราไปว่าคนนั้นเขาไม่ดีก็อ่คนนี้เขาไม่ถูก เ, ออเราว่าเอาเองเนี่เห็น ไ, ไหมมันก็เริ่มละออกไปก็เริ่มเห็นทางว่าโอ้สมาธิมันเป็นอย่างนี้แล้วก็ดูสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นจริงก็เกิดปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญาเมื่อมันสมบูรณ์ก็เกิดอริยมรรคเนี่ยปุปรภักคมรรคแล้วก็อริยมรรคนีพอเข้าใจไม ตัวมรรคอันนี้เขาเรียกว่าทางเดียวทางเอกเคยได้ยินไหมเอกราญ น, นัมค์ฉันในชีวิตเรานะถ้าเป็นพุทธบริษัทอย่างแท้จริงเนี่ยเขาไม่มีเรื่องอื่นหรอกไม่มีเรื่องสําคัญเพราะมีอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นคือมีสติสัมปชัญญะเข้าไว้ในใช้ในการใช้ชีวิตพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าสังขารทั้งหลายมันเป็นของไม่เที่ยงนะฉะนั้นต้องอย่าประมาทอย่าอยู่ปราศจากสติให้มีสติในการใช้ชีวิตอยู่เสมอแล้ว ศีลก็จะมีขึ้นสมาธิก็จะมีขึ้ น, นปัญญาก็จะมีขึ้นสิ่งที่มีประโยชน์ทั้งหลายเราก็จะได้รับตามสมควรนะตั้งแต่ประโยชน์ในชาตินี้ในชาติหน้าหรือว่าประโยชน์อย่างสูงสุดคือพระนิพพานซึ่งเราเกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาก็ควรจะได้ประโยชน์อย่างสูงสุดใช่ไหมคือพระนิพพานคือการพ้นไปแห่งทุกข์นี่พอเข้าใจไหมฉะนั้นผมจึงบอกให้ท่านทั้งหลายนะค่อยๆหัดฝึกไปนะ ฝึกนะถ้าบอกไปแล้วท่านไม่ฝึกเป็นไงก็เรื่องของท่านแหละเพราะว่าเป็นทางของแต่ละคนแต่ละคนเราต้องฝึกเอาเองแล้วก็รู้ด้วยตัวเราเองถ้าเราไม่ฝึกเราคอยแต่มาถามมันก็จะงงไปเรื่อยๆนะผมตอบไปท่านก็งงอีกเพราะว่ายิ่งพูดมากท่านก็มีเรื่องให้งงเยอะขึ้นทุกวันทุกวันเพราะว่าอ่าเวลาตอบอย่างนี้ไปเอาอาจารย์อาตาปีคืออะไระอาจารย์ผมพูดสัมปชานโนถ้าสัมปชานโนคืออะไรอาจารย์ ผมพูดว่ามันคือความรู้ตัวนะรู้ตัวเป็นไงอาจารย์มันก็ถามได้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะอาจารหน้าที่ของท่านนี่นะให้ดูมันดูกายดูใจไว้ความงงไม่ใช่เป็นปัญหาอะไรนะความงงเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เกิดเกิดแล้วมันก็ดับไปถ้าท่านดูมันได้ทีหนึ่งก็มีสติทีหนึ่งความไม่รู้เรื่องก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรดูว่าเอ๊ะมันไม่รู้เรื่องให้เราเนี่ เราก็ดูมันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวส้กหน่อยมีอันอื่นเกิดขึ้นมาเราก็ค่อยดูอีกไปเรื่อยๆเห็นไหมการดูได้ทีหนึ่งทีหนึ่งก็เหมือนกับการเดินทีละก้าวทีละก้าวเดินไปเดินมาหลายหลายครั้งเข้ามันก็เป็นทางอย่างนี้แล้วใครเราเป็นคนรู้ว่ามันเป็นทางก็ตัวเราเองนั่นแหละเรารู้ได้ยังไงว่ามันเป็นทางดูได้ตอนไหนก็ตอนมันเป็นทางนั่นแหะฉะนั้นตัวทางกับตอนเริ่มเดินนี้มันก็อันเดียวกันนั่นแหละ แต่ตอนแรกมันไม่เป็นแต่ต่อมามันเป็นเพราะมันราบเรียบขึ้ น, นเบาสบายขึ้นชีวิตของเราแต่เดิมมันก็มีเรื่องยุ่งยากอย่างนั้นอย่างนี้พอเริ่มดูใหม่ๆก็มีเรื่องยุ่งยากอย่างนั้นอย่างนี้บ้างทํายากบ้างกิเลสลากไปทําบ้างหลงตามกิเลสบ้างมันหลอกเราหลายครั้งบ้างแต่มันหลอกเราบ่อยๆเราก็คงฉลาดขึ้นะนะตอนแรกก็ต้องยอมโง่ไปก่อนอ้าวมันหลอกเราไปทํานี่อีกแล้วอ่ะหลอกเราไปทํานั่นอีกแล้วมันก็คลุกคุกคลั่กแต่ต่อมาเรารู้ทันมันเราละมันได้ มันก็เริ่มราบเรียบขึ้นราบเรียบขึ้นชีวิตก็สบายขึ้นสบายขึ้นเราก็จะเห็นด้วยตัวเราเองทีเดียวนี่พอเข้าใจไหมนะฉะนั้นเราก็ต้องไปฝึกเอาเองเนาะนะอย่างนี้นะครับฉนั้นมาที่นี่นะถ้ามาสังเวชนีเสืสถาแล้วก็กระตุ้นเตือนเราให้ฝึกฝนแล้วก็ได้ความเข้าใจไปว่าแท้ที่จริงในชีวิตเรานั้นไม่มีอย่างอื่นหรอกสิ่ง ที่เราต้องทําเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นก็คือการมาศึกษาให้เข้าใจเข้าใจโลกเข้าใจตนเองเข้าใจสิ่งต่างๆแล้วก็อยู่เหนือนมันให้ได้เท่านั้นเองไม่ได้เกิดมาตายนะเกิดมาเพื่อไปสู่ความไม่ตายอมตะชอบไหมอมตะ เ, ออเคยได้ยินเนาะประตูอมตะคืออริยมรรคมีองแปดนั่นเองนะไม่ได้เกิดมาแก่นะเกิดมาเพื่อที่จะ ห่างจากความแก่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่แก่ไม่ใช่เกิดมาแล้วเกิดอีกไปเรื่อยๆไม่ใช่งั้นเกิดมาเพื่อห่างไกลจากความเกิดแล้วก็ไม่ต้องมาเกิดอีกเมื่อไม่เกิดอีกก็ไม่ตายดีไหมอนะมา่านะมักคนอาจจะเอ๊ะจะงงไปเลยฟังไปฟังมาก็งงไปงงมาเรื่อยๆแล้วจะเอาอะไรดีก็ไม่รู้นะนมันดูวนๆกันไปวนๆกันมาอยู่นะอันนี้แหละ เป็นสภาวะของพันิพภานจะเรียกอะไรก็ได้จะเรียกไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่พัดพลากไม่ทุกข์สิ้นทุกข์สิ้นกรรมสิ้นบุญสิ้นบาปอะไรก็ได้นี่นะหอนิพพานเกี่ยวข้องกับอะไรไหมนิพพานนั้นเป็นสภาวะที่เป็นวิสังขารไม่เกี่ยวข้องกับอะไรจะถึงพันิพภานได้เมื่อเราเลิกเกี่ยวข้องกับทุกสิ่งทุกอย่างนะถ้าเรายังอยากถึงนิพพานอยู่ ก็คงจะได้อยากไปเรื่อยๆเพราะว่าเราชอบอยากใช่ไหมในเมื่อชอบอยากก็ได้อยากไปเรื่อยๆเหมือนเรากลัวตายแหละถ้าเรายังกลัวตายอยู่ก็ได้ตายไปเรื่อยๆเพราะเราชอบกลัวในเมื่อชอบกลัวก็ได้กลัวบ่อยๆก็ถูกแล้วเนี่นะเราก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น <laughs> ตัวเองเกิดมามีความคลากพลาดเป็นธรรมดาก็หาวิธีที่จะได้พลากๆเยอะๆใช่ไเราเกิดมาแล้วก็ต้องมีพ่อมีแม่ใช่ม ก็ต้องพลัดพลากจากพ่อแม่เป็นธรรมดามีคนที่เรารักก็ต้องพลาดพลากจากญาติจากพี่น้องแต่เท่านี้เรายังไม่พอหรอกเกิดมามีความพลัดพลากเป็นธรรมดาหาวิธีหน่อยจะได้พลัดพลาดเยอะๆหาสามีมาอีกคนหนึ่งเพื่ออะไรล่ะเพื่อจะได้พลัดพลากจากมันอีกคนหนึ่งหาลูกมาหานั่นหานี่หาบ้านหาสิ่งที่รักมาเยอะๆเข้าไว้เพื่ออะไรล่ะเพื่อจะได้พลาดพลาดจากมันไปให้เยอะขึ้นเยอะขึ้นนี่มันซับมันซ้ำซ้อนอะไรกันอยู่อย่างนี้ นะเราอาจจะไม่รู้ตัวเองเพราะว่าปกติเราไม่รู้ตัวเองอยู่แล้วเราทำไปวนเวียนวนเวียนไปวนเวียนมาอยู่แล้วนะเกิดเกิดตายตายซ้ําๆซากๆวนเวียนวนเวียนบ่อยๆอย่างนี้นะฉะนั้นพระนิพพานเนี่ยเป็นสภาวะที่ปราศจากการปรุงแต่งเป็นสภาวะที่ปราศจากตัณหาสิ้นตัณหาเรื่องความอยากเรื่องความต้องการนี้ต้องรู้จากมันแล้วละมันไปให้หมดนะซึ่งจะละความอยากได้โดยการ ที่เรารู้จักทุกสิ่งทุกอย่างตามที่มันเป็นจริงว่าอะไรที่มันเกิดล้วนแต่ดับไปทั้งนั้นแหละมันไม่สามารถเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงได้นะจึงจะหมดไปทีนี้คำว่าการอธิษฐานนี่เมืองไทยเราก็เอามาใช้เหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นความหมายของการตั้งสิ่งต่างๆเอาไว้ในใจหมายถึงว่าเรายังไม่ถึงที่สุดหรือว่ายังไม่พ้นไป ยังต้องอยู่ในการฝึกฝนอยู่ก็ควรมีการตั้งอะไรเอาไว้ในใจเพื่อให้เดินทางไปอย่างถูกต้องจะได้ตรงทางเขาเลยเรียกว่าอธิษฐานอธิษฐานที่ถูกต้องที่พระพุทธเจ้าแนะนําเนี่ยมีอยู่สี่อย่างเนยจำเอาไว้นะเราอย่าอธิษฐานอยากได้นั่นได้นี่นะมันจะอันตรายเกินไปสมมุติเรารักกันมากบอกว่าเอ้ชาตินี้เราอยู่ด้วยกันชาติต่อไปขอได้อยู่ด้วยกันอีกเถอะอธิษฐานกันไปอย่างนี้นะ ทีนี้แต่ละคนก็ต่างคนต่างเป็นไปตามกรรมของตนของตนสมมติเรารักสามีเรามากโอ้อธิษฐานขอให้ได้เป็นแฟนมันอีกได้เป็นภรรยามันอีกสามีเรามันไปตามกรรมสมมติมันเกิดเป็นหมา <c oughs> เราจะเป็นยังไงล่ะทีน <c oughs> ี้โอ้โหสมมติเป็นเมียหมาจะละึบ้าง <c oughs> ลำบากแหละลาบากแล้วทีนี้นะเราทำบุญไปโอ้ด้วยบุญบุญนี้ขอให้ร่ารวยเถอ หรือว่าขอให้ได้เป็นพระราชาเถอะสมมติในเมืองไทยเรานี้มีหกสิบล้านคนมีพระราชาอยู่องเดียวแสดงว่าเราต้องเกิดหกสิบล้านชาติจึงจะได้เป็นพระราชาก็ต้องรอไปอีกเพราะว่าเราอธิษฐานอยากได้เป็นพระราชาเนี่ยก็ต้องให้โอกาสมันว่าชาติไหนมันจะถึงความเหมาะสมที่จะได้เป็นราชานั้นมันก็ต้องรอโอกาสเราก็เสียเวลาไปอีกหกสิบล้านชาตินะเกิดตายเกิดตายไปอีก ทำให้ไม่ได้เห็นธรรมะไม่ได้รู้อริยสัจไม่ได้ออกจากโลกสักทีเพราะว่าอธิษฐานขอเป็นราชาไว้มันก็ต้องรอไว้หน่อยเนี่เห็นไ ม, มันผูกตัวเองเอาไว้กับโลกนะัะนนการอธิษฐานที่อยากจะได้อยากจะเอานี้มันค่อนข้างอันตรายโดยเฉพาะการอธิษฐานเพื่อพบเจอคนนั้นพบเจอคนนี้มันเป็นคําอธิษฐานที่อันตรายมากนะเพราะว่ามันเป็นการผูกกันให้อยู่กับพบทําให้ออกจากพบไปไม่ได้เพราะว่าแรงอธิษฐานเนี่ยมันเป็นความตั้งใจของเราไง อย่างนี้นะครับมันเป็นเหตุอันหนึ่งเหมือนกันแหละเพียงแต่ว่ามันเป็นเหตุชนิดที่รุนแรงมากเช่นว่าเราตั้งใจอย่างเด็ดเดียวว่ายัางไงเราก็จะต้องกลับให้ถึงบ้านเพราะว่าเรามีคนรออยู่ที่บ้านฝนจะตกแดดจะออกเราก็ต้องพยายามกลับให้ถึงใช่ไหมเนี่ยการอธิษฐานมันรุนแรงอย่างนี้มันก็เป็นเหตุหนึง่งมันจะไปช้าไปเร็วมันก็พยายามไปให้ถึงอย่างนี้ฉะนั้นเราอธิษฐานอยากได้อะไรมันก็รอเหตุปัจจัยเพื่อให้ได้อ น, นั้น แต่มันจะนานเท่าไหร่มันก็ต้องรอไปเรื่อยๆเราก็ต้องอยู่วนเวียนไปเรื่อยๆขาดการได้รับสิ่งที่ดีๆหรือว่ากาดการออกจากโลกไปเรื่อยๆนะฉะนั้นอย่าไปทำอย่างนั้นพระพุทธเจ้าตั้งสอนให้อธิษฐานอยู่สี่อย่างคำว่าอธิษฐานก็แปลว่าการตั้งเอาไว้ในใจให้มันถูกต้องให้มันเด็ดเดียวอยู่สี่อย่างอันที่หนึ่งเรียกว่าปัญญาทิฏฐาน ตั้งในใจเอาไว้อยู่เสมอเรื่องของการมองทุกสิ่งทุกอย่างตามที่มันเป็นจริงนะอย่าไปหลงมันถ้าเราหลงมันไปแล้วก็ให้รู้ตัวแล้วก็มองมันปัญญาอยู่ไหนมันไม่เที่ยงนะเป็นทุกเป็นอนัตตานะต้องเตือนตอนเองอยู่เสมอถ้ายังไม่มีก็ต้องศึกษาเรียนรู้ฝึกฝนไปให้มันมีแล้วก็ตั้งใจเอาไว้อยู่เสมอว่าต้องมองมันด้วยปัญญาเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยปัญญาอย่างนี้นะ อันนี้เรียกว่าอันที่หนึ่งคือปัญญาทิฏฐานนะอันที่สองคือสัจจาทิฏฐานตั้งมั่นเอาไว้ในเรื่องสัจจะอยู่เสมออย่าเอาเรื่องอื่นเป็นเรื่องสําคัญหรือว่าอย่าเอาเรื่องอื่นเป็นเรื่องตัดสินสัจจะอย่าเอาความคิดความเห็นของใครสมมุติว่าท่านฟังผมไปแล้วท่านคิดว่าเอออันนี้เรามั่งถูกท่านอาจจะคิดว่าอันนี้เระแม่งถูกก็ได้แต่อย่าคิดว่าความจริงมันจะเป็นอย่างนี้ต้องรักษาสัจจะเอาไว้สัจจะต้องเป็นอย่างหนึ่งนะ คือความเห็นของเราเนี้ถ้าถูกต้องมันก็ถูกตามสัจจะถ้าไม่ถูกต้องก็เรื่องของมันไปให้เป็นเรื่องของความเห็นอย่าคิดว่าความเห็นของเรา head, มันถูกหรือไปฟังคนนี้มาโอ้โนี่ที่ฟังมาถูกอย่าไปทําอย่างนั้นให้ตั้งสัจจารถิฐานเอาไว้คือตั้งใจเอาไว้ตั้งมั่นเอาไว้ในเรื่องของสัจจะอย่าเาความเห็นของตอนเองความเห็นของคนอื่นความเชื่อฝ่ายตนก็ดีฝ่ายคนอื่นก็ดีมาตัดสินว่ามันเป็นสัจจะความเชื่อจะถูกตามสัจจะก็ได้ไม่ถูกก็ได้แต่สัจจะต้องเป็นสัจจะ เราต้องยกสัจจาเอาไว้เป็นส่วนหนึ่งก่อนเสมออันนี้เขาเรียกว่าสัจจาทิฏฐานนะถ้าจะตั้งมั่นเอาไว้ก็ตั้งมั่นเอาไว้เรื่องสัจธรรมความจริงคืออริยสัจที่ได้พูดให้ฟังไปแล้วนี่ฟังอริยสัจให้เข้าใจบ่อยๆแล้วก็เวลาฟังเรื่องอะไรมาเขาบอกว่าโอ้ยทำกรรมอย่างนี้แล้วจะได้อย่างนี้ทำกรรมอย่างนู้นแล้วจะได้อย่างนูง้นเราฟังเอาไว้ถ้าเรามีสัจจาทิฏฐานเราก็ตั้งมั่นในสัจจาอ๋อเขาพูดเรื่องการทำกรรมเป็นทุกวนเวียน แต่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องความสิ้นกรรมมีหนทางให้ด้วยเนี่ยเห็นไหมเราต้องสัจจาไว้ถึงเราจะเชื่อคนอื่นว่าเอ๊ะมันจริงละมั่งเนี่ยเราก็จะเอามาตัดสินสัจจาว่าเอ๊ะความจริงต้องเป็นอย่างนี้อย่าะเราเชื่ออย่างนี้ก็ให้คิดว่าอ่าตอนนี้เราเชื่ออย่างนี้ความจริงเป็นยังไงอีกเรื่องหนึ่งเอาไว้อีกเรื่องหนึ่งแล้วเราก็ค่อยค่อยศึกษาไปนี่อันที่สองเห็นไหมสัจจาทิฏฐานตั้งจิตใจหรือว่าตั้งมั่นเอาไว้ในเรื่องของสัจจา อย่าตัดสินสัจจนะในความจริงนั้นพยายามฝุกฝนเพื่อที่จะรู้จักสัจจะนั้นพยายามฟังเตือนสัจจะเอาไว้นะพยายามฟังให้เยอะๆนะครับเราก็จะได้ไม่หลงไปตามคนอื่นเราโดยส่วนใหญ่หลงไปตามคนอื่นหมดนะนะโอ้ยเธอเกิดวันเสาร์เกิดวันอาทิตย์มันจะเป็นอย่างนี้พระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกอะไรก็ไม่รู้นะโต๊เก้าอี้มันยังไม่สนใจท่านเลยนะเนี่ย มันยังนั่งอยู่เฉยอยู่ ใ, ใกล้ท่านมันยังไม่สนใจท่านเลยท่านจะไปคิดได้ยังไงว่าไอ้ก้อนหินที่อยู่บนไกลโพ้นมันจะมาสนใจท่านนะมันเป็นไปไม่ได้หรอกไม่มีทางเป็นไปได้นะเอาความจริงมาพูดกันหน่อยแต่เราทั้งหลายอาจจะเชื่อเขาก็ได้นะนะจากนั้นต้องสัจจาเอาไว้นะสัจจานิฐานเอาไว้แล้วก็อันที่สามคือจาคานิฐานนะตั้งใจเอาไว้ในเรื่องของ การสละการปล่อยวางอยู่เสมอเราเข้าไปเกี่ยวข้องเรื่องอะไรแล้วต้องดูว่ามันยึดเพิ่มขึ้นหรือมันสละเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นต้องดูอันนี้ถ้ายึดเพิ่มขึ้นแล้วอย่าไปทําอย่างนั้นไม่ถูกเด็ดขาดนะต้องตั้งใจเอาไว้อยู่เสมอถึงมีตําแหนง่งมีอะไรเพิ่มขึ้นแล้วเกิดความยึดเพิ่มขึ้นนี้แสดงว่าไม่ถูกต้องตั้งใจเอาไว้ว่าไม่ว่าเรื่องอะไรที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องก็ต้องเป็นไปเพื่อสละออกสละออกสละออ ก, ออกเพื่อ ปล่อยคืนปล่อยคืนปล่อยคืนไม่อาลัยไม่อาลัยไม่อาลัยเนี่ยเขาเรียกจากขคาทิฏฐานถ้าเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับใครแล้วยังห่วงอะไรในคนนั้นแสดงว่าการเข้าไปเกี่ยวข้องของเรานั้นเกิดความผิดพลาดขึ้นนะเข้าไปหาคนนี้เอเวลาอยู่กับเขาคุยกันแล้วมีความสุขจากเข้าไปห่วงหาอาวายัยอาวร์มันอย่างนี้การเข้าไปเกี่ยวข้องนั้นผิดพลาดต้องตั้งใจเอาไว้ให้เสมอว่าสละสละไม่อาลัย ไม่เพลิดเพลินไม่หลงยินดีกับมันนะตอนเราไปอยู่กับเขาก็ทำตัวให้ดีนั่นแหละนะช่วยเหลือกันคุยกันอย่างดีอะไรดีแต่ว่าเวลาจากมาแล้วก็ไม่อาไรไม่หลงเพลิดเพลินนี่เข้าใจไหมะนะอันนี้อันที่สามนะจารคาทิฐานอันที่สี่คืออุปสมาทิฐานการเข้าไปสงบระ ง, งับของทุกสิ่งทุกอย่างเราฝึกฝนเพื่อ มายถึงการสงบการระงับลงไปของกิเลสทุกๆชนิดไม่ใช่ฝึกฝนหรือว่าไม่ใช่ตั้งใจเพียงเพื่อได้แค่ความสงบเป็นครั้งๆไม่ใช่เพียงเพื่ออันนั้นอันนี้เป็นคราวๆไปแต่เพื่อความสงบระงับหมายถึงว่ามันไม่เกิดขึ้นอีกแต่เดิมคนอื่นด่าเราเราโกรธต่อมาคนอื่นด่าเราแล้วมันสงบระงับมันไม่โกรธนี่ยเราต้องการแบบนี้เนี่ยต้องตั้งใจแบบนี้ไม่ใช่เพื่อหลบมันไม่ใช่เพื่อฝึกเป็นคนตาบอด หรือเป็นคนหูหนวกไปเราก็จะใช้ตาเป็นปกติแต่แต่แต่เดิมนั้นเห็นอะไรแล้วกิเลสเพียบราคะาโทสะโมหะหรือว่ากิเลสอื่นๆเพียบต่อมาต้องฝึกฝนชนิดที่ตั้งใจเอาไว้ว่าเห็นอะไรแล้วฝึกฝนโดยวิธีที่จะให้มันสงบระงับไปกิเลสที่เคยมีเห็นแบบเดิมนั่นแหละกระทบอารมณ์แบบเดิมนั่นแหละแต่กิเลสไม่มีสงบระงับไปอันนี้เรียก ว, ว่าอุปสมาธิฐาน ถ้าจะตั้งใจให้ถูกนะมีอยู่สี่อย่างจำได้อย่างอันที่หนึ่งคือปัญญาทิฏฐานมองทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆด้วยปัญญาโดยการเข้าใจมันอย่างที่มันเป็นไม่ใช่ไปหลงเพลิดเพลนินดีกับมันนะปัญญาทิฏฐานตั้งใจอไว้เรื่องนี้อันที่สองคือสัจจาทิฏฐานตั้งมั่นเอาไว้ในสัจจ อย่าเอาความเห็นของคนนั้นอย่าเอาความเห็นของคนนี้หรือว่ากระทั่งความเห็นของเราเองไปตัดสินสัจจะว่าที่เราเห็นที่เราคิดไหมมันต้องถูกต้องอันอื่นยังไม่ถูกไม่ใช่อย่างนั้นเราคิดว่าเราถูกก็ได้แต่ว่ายกไว้ส่วนหนึ่งสัจจะก็ยังคงเป็นสัจจะเราจะเชื่อใครก็ได้แต่ว่านั้นเป็นความความเชื่อส่วนสัจจะต้องเป็นสัจจะเชื่อจะถูกหรือไม่ถูกอีกเรื่องหนึ่งอย่าไปตัดสินสัจจะจนกว่าเราจะเห็นสัจจะด้วยตัวเราเอง แล้วสัจจะก็ไม่ใช่เราเป็นเจ้าของอยู่แล้วนะก็เป็นของกลางเป็นของสากลอันนี้สัจจาทิฏฐานอันที่สามจาคาทิฏฐานการสละตั้งใจเอาไว้เกี่ยวข้องกับเรื่องใดๆแล้วก็เพื่อสละเห็นไหมมาในโลกก็ไม่ใช่มาเอาอะไรเพิ่มขึ้นนะแต่ที่จริงแล้วที่มันมานี้เพราะว่ามันมีเยอะ น, นั่นเองต้องเอาออกนะนะจาคาทิฏฐาน ดูจากการสละการปล่อยวางการปล่อยให้มันเป็นอย่างที่มันเป็นแล้วก็การไม่อาลัยกับมั น, นดูอย่างนี้จากขาทิฐานอันที่สี่คืออุปสมมาทิฏฐานตั้งใจไว้เรื่องความสงบระงับของสิ่งที่มันเคยมีนั่นแหละแต่ว่าจะฝึกฝนโดยวิธีการที่จะทำให้มันสงบระงับลงนะอย่างนี้พอเข้าใจไหมอันนี้คือการอธิษฐานที่ถูกต้อง อธิทีานอย่างนี้โดยถูกต้องนะตั้งไว้ในใจอันนี้โดยถูกต้องฝึกฝนโดยถูกต้องก็จะเป็นไปเพื่อการสิ้นตัญหาและถึงนิพพานฉะนั้นการอาธิษฐานก็เกี่ยวข้องกับนิพพานในแง่ว่าเป็นการฝึกฝนเพื่อให้ถึงแต่ต้องอธิษฐานให้ถูกไม่ใช่อธิษฐานเพื่อจะเอานั่นเอานี่อันนั้นยิ่งห่างไกลนิพพานไปเรื่อยๆต้องวนเวียนไปตามโลกนานมากเไปเกินซึ่งโดยส่วนใหญ่เราคงอธิษฐานในแบบอยากได้นั่นได้นีตนน่ต้องการนั่นต้องการนี่ แต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นนะสอนอธิษฐานสี่เรียกว่าอธิษฐานธรรมธรรมะที่ควรตั้งไว้ในใจอยู่เสมอให้เด็ดเดี่ยวไว้นะจำเอาไว้นะนะแล้วก็ไปฝึกฝนอันที่หนึ่งปัญญาทิฏฐานสองสัจจทิฏฐานสามจารคทิฏฐานสี่อุปสมาทิฏฐานนะเดี๋ยววันต่อต่อไปก็จะได้พูดให้ฟังก็จะเกี่ยวเรื่องกับเรื่องพวกนี้แหละเพียงแต่จะใช้คําอะไรเท่านั้นเองนะ